ب س ا الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعدوان إلا على ا ل م ي ن وأصلي أ س ل م على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بحسنٍ و ط ي ن ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رواه คงอยู่ในอายที่ห้าสิบเจ็ดนะครับซึ่งเป็นอายะที่มีนื้อหาสาระสำคัญที่สุดในสุรจูรุสในมมมองโลกของเขาเพราเป็นอายะที่พูดถึงคุณสมบัติของอันกุรอานสี่ประการเราได้ที่บายไปแล้วหนึ่งประการ ก็คือมอดรอกุรอ่านเป็นการตักเตือนหมายถึงกุรอ่านจะเป็นตัวช่วยให้เราได้เลิกทำความชั่วเพราะนี่คือผลลัพธ์ของการตักเตือนคือตักเตือนแล้วไม่มีประโยชน์ข้อตักเตือนมันก็ไร้สาระ ถึงว่าใ้สาระสาหรับคนที่ไม่ได้ให้สาระข้อเตือนมันก็มีสาระแน่นอนแต่สำหรับคนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองจะข้อเตือนจะข้อเตือนเท่ากับเขามองว่าข้อเตือนนั้นมันไม่มีสาระแต่ถ้าพูดอ่านทั้งหมดนี่เป็นข้อเตือนแสดงว่าพูดอ่านนี่เป็นคมพี ที่มีความสามารถเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงมนุษย์ได้อันนี้คือคุณสมบัติที่แข็งแกร่งของอันุทอานใครที่ครอบครองพุทอ่านในมือในหัวใจในสมองในชีวิตเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตลอดแต่ถึงว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองจากสภาพที่ไม่ดีสู่สภาพที่ดีจากความชั่วไปสู่ความดี จากความดีน้อยไปสู่ความดีมากนี่คือประโยชน์ของคุณอา่านซึ่งเป็นประโยชน์สำคัญนะครับสำหรับขอ้อนี้เราจะได้ประโยชน์ยังไงคือเรียนอา่านและเรียนอา่านและเรียนตามคันมองตามเงื่อนไขตามตามสติขั้นตอนของอการเรียนรู้ร่วนคุณอาน และเราจะสัมผัสกับข้อเตือนของอักุรอานในชีวิตของเราอย่างเร็วที่สุดยิ่งศึกษาอย่างต่อเ น, นื่องยิ่งพบประโยชน์ของข้อเตือนอักุรอานเนี่ยโซอนเนี่ยอย่างเร็วที่สุดกุรอานไม่ได้ถูกประทานลงมาให้เตือนเตือน ผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างเดียวแต่เตือนทั้งผู้ปฏิเสธรัทธาแล้วก็เตือนผู้ศรัทธาไปด้วยฉะนั้นข้อเตือนของกู้อานจะอยู่กับเราตลอดเวลาเวลาที่เราทําความดีนั่นไม่ได้ไหมายควมว่าเมื่อเป็นคนดีแล้วเราก็ไม่ไม่ต้องการผู้อ่านแล้วใช่หรือเราเป็นคนไม่ดี เราจะคิดว่าเราเป็นคนไม่ดีและกคุณอ่านนี่เป็นสิ่งที่ดีมันก็ไม่เหมาะสําหรับเราเนี่ยก็ไม่ใช่กุณอานสามารถชำระมุนทินแล้วก็สักฟอกความสุขครบต่ตางๆที่มาจากความช่วยความช่วที่มันสวนทางกับข้อเตือนของกุรอานที่องอนเหรเรื่องที่สองในชีฟะคุณน่าชมบัตรที่สองในชีฟะ เปยาบำบัดรักษาโรคทุกชนิดดีที่มาไว้แล้วว่าุอ่านสามารถรักษารคโรคจิตโรคที่อยู่ในหัวใจในจิตใจของมุษทุกทุกครวมถึงรด้านสรีระด้วยนะแต่บางคนในเวลาเขาใช้อุดอ่านในการบำบัดตัวเองเนี่ยอ่านกุดอ่านอ่านรูปย่าอ่านกุอาน ดื่มน้ากุตั้งไม่เห็นจะหายเลยไม่เห็นมีผลเลยบางทีเราสรุปง่ายนะครับสําหรับกุตั้งแต่ที่เราไปหามนุษย์น่ยนะไปหาคุณหมอบอกที่เป็นมนุษย์เดินนะเราบอกเขาจุดยาว่ายานี่ต้องกินรนะยะน่ะระยะยาวนะ โน่นหนาหกเดือนนี่ก็จะหายเรายอมนะกินไปเลยหเดือนไปหกเดือนหมอก็บอกวาอ่าอีกนิดหนึ่งนะอีกนิดหนึ่งยังหายไม่สนิทอีกนิดหนึ่งอีกสักสามเดือนต่อต่างตดต่ออันนี้พูดถึงโรคที่มันหายขาดนะบางทีเนี่ยก็ต้องใช้เวลานานนะก็ไม่เคยคิดในใจเนี่ยบอกว่าไอ้หมอนี่ตอแหล มันบอกว่าจะหายแล้วมันไม่เห็นจะหายสะทีเราไม่รีบสรุปเราพยายามคิดในแง่ดีกับแพทย์ปัจจุบันกันกบหมอที่รักษาแต่จะพูดถึงโรคที่หายไม่ขาดนะหรือไม่หายอ่ะโรคเบาหวานความดันหมอบอกว่าโรคหัวใจอันนี้ต้องกิน ตลอดชีวิตนะแล้วก็เราก็ไม่บอกเราก็ต้องกินไงถ้าเราอยากจะรักษาตัวเองไม่ให้เกิดอาการร้ยแรงเราก็กินแต่ถ้าเราตั้งสมมุติฐานว่ากุรานก็เป็นยาเช่นนี่แหละรักษาทุกโรคเราต้องกินตลอดชีวิตหนะมายถึงว่าต้องใช้กุรานรักษา รักษาตัวเองตลอดชีวิตเนี่ยนี่แหละจะเริ่มไหนหัวเราบอกว่าโอชีฟะอุณยาบำบัดไม่ล่ะยาก็เหมือนยาทั่วไปแท้จริงการรักษาบําบัดนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องรักษาบําบัดเฉพาะเจาะจงโรคโรคที่เราอยากจะรักษา หมือนหมอที่เขารักษาโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันนะ่ะส่วนมากนี่หมอที่เขาเชี่ยวชาญนี่เขาไม่จะรักษาโรคเดียวนะเขาจะต้องดูสภาพตัวภาพรวมและยิ่งถ้ามีโรคอื่นที่มันแทรกแทงนี่มันก็หมอก็บอกว่าต้องประคองละประคองพรามันต้องดูหลายเรืเ่องไม่ใช่เรื่องเดียวคือถ้ากรุดอานนี่เป็น เป็นสิ่งที่ประคองชีวิตของเราเนี่ยให้มีโรคหัวใจน้อยที่สุดเนี่ยก็ถือว่าบุญแล้วอย่างไบาคุณอาที่จะดูแลเราขนาดนี้แต่มันต้องต่อเ น, นื่องเหมือนกันแต่ข้อแตกต่างระหว่างยานี้ยากุณอาเนี้ยยาบานี้กับยาที่มนุษย์เนี่ยเขาผลิตกันเองเขาคิดค้นกันเองนะยาทั่วไปเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเขาถึงไม่ได้ คนที่ไม่ไดเรียนแพทย์ไม่ไดเรียนเภสัชจะไปจดยาให้ตัวเองได้ไหมจะไปจ่ายยาเองได้มหมมือซื้อยายาบางชนิดเนี่ยเภสัชดีไล่เลยไม่ขายไม่ขายต้องต้องจดให้แต่พุทธานละเขาทุกคนเขาได้ทุกคนเลยและไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากไม่ไม่เรื่องเยอะ เไม่เยอะสำหรับพุดอ่านเช่นซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะพูดวันนี้นะก็คือโรคชนิดที่เกี่ยวกับโลกแห่งวิญญาณโลกแห่งวิญญาณโลกแห่งร่างกายและสรีระมันก็มีเชื้อมีไวรัสมีอะไรพวกเนี้ที่มันกระทบ หรือความอ่อนแอรหรือการขาดสารอาหารอะไรหโรคจิตใจอันนี้ก็จะก็จะบำบัดรักษาด้วยยาบางชนิดบ้างหรืออาจจะด้วยด้วยการยีวยาบางอย่างซึ่งทั้งสองโรคนี้โรคด้านร่างกายด้านจิตใจเนี่ยคุณอ่านก็ช่วยได้เหมือนกันนะ <c oughs> แต่พอถึงโรคของดวงวิญญาณเองเลยซึ่งมันเป็นมิติ ที่ยังไม่มีแพทย์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้หลกพิสูจ์สามารถยืนยันได้ทุกวันนี้เนี่ยว่าจะรักษาด้วยยาชนิดใดยังไม่มีแต่ผลปรากฏของมันเนี่ยมีให้เห็นว่ามันเป็นนิ ต, ติที่มีจริงและมันก็มีโรคของมันจริงโรคนี้มองไม่เห็น เพราะมันเกี่ยวกับตัววิญญาณของเราและสิ่งที่จะมาก่อกวนวิญญาณของเราเนี่ยมันก็เหมือนเชื้อโรคที่เรามองไม่เห็นเหมือนไวรสัสที่เรามองไม่เห็นแต่มันจะมาก่อกวน ร, ระบบทางสรีระและเราเห็นผลของมันตัวร้อนบางทีก็นอนติดเตียงเลยเพราะอะไรติดเชื้อเองเราเนี่ย มองไม่เห็นเลยเชื่ออะไรหมอนี่เขาหมอหมอที่เขารู้่ไหแล้วหมอนี่อยู่ดีๆก็อยู่ดีๆก็จะจะรู้ว่ามีเชื้อหมอเขาต้องต้องเห็นอาการพอเห็นอาการแลรกนี่เอาส่งไปตรวจเอาเลือดไปตรวจเอาเอาปัสสาวะเอาเลือดไปตรวจอาเจอเชื้อก็ตามกระแสหมอนี่นะติดเชื้อกระแสเลือดกระแสนู่นกระแสติดเชื้อไอ้คนป่วยเองกันนะไม่ไม่รู้เรื่อง เช่นเดียวกันมันมีสิ่งที่จะมาก่อบวนวิญญาณของเราซึ่งโครงสร้างของชีวิตมนุษย์เนี่ยมันประกอบด้วยวิญญาณและร่างกายและจิตใจวิญญาณและร่างกายและจิตใจอุลามาบางท่านเนี่ยบางทศนานที่บอกว่าจิตใจกับวิญญาณเนี่ยมันก็คือตัวเดียวกันแต่ที่เขาแยกกันเนื่องจะบุบาทแต่ ผลสรุของมันนี่มันก็ไม่แตกไม่ต่างอะไรกันมากนักมีร่างกายแล้วก็มีวิญญาณวิญญาณของเรานี่ก็จะมีสิ่งที่จะบันทอนความแข็งแกร่งของมันสุขภาพของมันหนึ่งก็คือสิ่งที่มันจะทําร้าย วิญญาณของเราด้วยน้ํามือของเราทําให้วิญญาณนี้อ่อนแอนั่นก็คือทําบาปทาความชั่วเขาวิญญาณนี่มันเป็นความลับที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานอวะดาและและก็มีความศักดิ์สิทธิ์ถึงขนาดที่อัลลอฮ์อ้างว่าวิญญาณนีน้่มาจากพระองค์ไม่ได้หมายถึงว่าวิญญาณของมนุษย์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากอัลลอฮ์นี่ไม่ใช่ แต่เป็นสิ่งเดียวเราสร้างแต่มีความลับความความลับความลึกลับความความศักดิ์สิทธิ์ความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ไม่เปิดเผยให้ใครได้รู้เลยอุลิรุสุมินอัมบูรีรบบีอมุมฮัมมัดจงตอบยูนี่มาถามน บ, บีแล้วก็มันคุยกันเองบอกว่าท่า น, น บ, บีถ้าโมฮัมมัดเนี่ยตอบท่านดีเนี่แสดงว่าม่วเพราะเรื่องนี้เนี่ยไม่มีน บ, บี ท่านได้ไดิได้มาให้ความรู้เลยอันนัวิญญาณนี่คืออะไรก็เดี๋ยวก่อนผมไม่มีข้อมูลต้องรอให้อัลลอ์เป็นผู้ตัดสินพูดให้คำตอบมาคำตอบวสอลูนานรูปเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับรูปที่อัลลอฮ์อัลล์เรียกสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่ามีชื่อนะแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นน่มีตัวตนไม่ใช่เรื่ <fosse ham> องสมมติ<ญ> <gam unified> อานรูปหรือรูหูขอมุฮัมมัดจุมตาบอกว่ารูหูท่านจึงรูปหนั่งหนึ่งจากอเมริกาเป็นกิจการเป็นกิจกรรมของพระผู้อภิบาลของฉันเพราาอุทิศุหมิณอะไรไม่ละกิเลสอุละกิเลสแล้วท่าเจ้าไม่ได้มีความรู้อะไรนอกจากเล็กน้อยนิดเดียวถ้าเป็นกิจการที่มาจากอัลลนีฺ แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันสวนทางกับคำสั่งส อ, อนของอัลลอฮ์นี่วิญญาณนี้เนี่ยจะไม่ไม่เข้ากันไม่ได้เข้ากันไม่ได้เหมือนกฎธรรมชาติที่อลัลลอฮ์สร้างวิญญาณสร้างร่างกายของเราเนี่ยด้วยวัตถุดิบบางประการด้วยโครงสร้างบางประการทำให้มนุษย์เนี่ยด้วยโครงสร้างร่างกายของเขาเนะไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือน ส, สรรพสัตว์อื่น มนุษนี่ไม่ได้ถูกสร้างมันจะได้อยู่ในน้ำใช้ชีวิตในน้ำไม่ได้ร่างกายของเราโครงสร้างของอยู่ในน้ำไม่ได้ไม่ได้หุ่นยนก็เหมือนกันอัลลอฮ์สร้างมานี่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ที่มันมันเป็นสิ่งที่มาจากอนะัลลอฮ์กิจการของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อะไรที่มันสวนทางกับม่านี่นะมันก็จะอ่อน มันก็จะอ่อนไหวถ้าเราได้ทำบาปทำความชั่วเนี่ยวิญญาณนี่จะอ่อนแอจะรักษายังไงรักษาด้วยการเลิกสิ่งที่มันสวนทางกับคำสั่งสอนก็คือไปดูนี่ว่าพระเจ้านี่สั่งอะไรไว้แล้วเกิดปฏิบัติตามคำสั่งนี้เนี่ยเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่วิญญาณของเราเลิกความผิดที่องคเราห้ามทาในสิ่งเดียวเราใช้ ทำความดีทำไอาา้แบบนั้นแต่วิญญาณจะแข็งแรงและนี่คือเหตุผลว่าทำไมวะคุรานชีฟาว่าชีฟาอลิมาฟิสุดูเป็นญาบํมบัดสิ่งที่อยู่ในรองอกในหัวใจของเราอธิบายว่าคือโรคทางจิตหรือถ้าเราตีความว่าลลิมาฟิสูดหรือที่อยู่ภายในนี่นก็คือวิญญาณเพราะวิญญาณนี่อยู่ข้างในอยู่ในตัวเรา เราจะไม่พบหลักสูตรไ ด, ได้ในโลกนี้มหาวิทยาลัยที่ไหนที่จะอธิบายเรืร่องแบบนี้พบเฉพาะในบรรดาคัมภีร์เท่านั้นและที่มีรายละเอียดมากที่สุดนี้ก็คือคําสั่งสอนของอิสลามและเอียดที่สุดในบรรดาคัมภีร์ที่อลัลลอฮฺประทานลงมากับบรรดาหนาเบียอสูนต์ทัวิญญาณจะอ่อนแอด้วยน้ํามือของเราด้วยการทําบาปนี่หนึ่งสอง เหมือนที่ร่างกายของเราเนีนบางทีจะป่วยด้วยสิ่งที่เรากินกันกินเองอะนะกินเองดื่มเองแล้วก็ร่างกายมันจะป่วยเพราะสิ่งเดียวแต่บางทีเนี่ยร่างกายมันป่วยไม่ใช่เพราะเราเพราะเชื้อโรคใช่ไหมสิ่งภายนอกเชื้อโรคไวรัสวิญญาณก็จะป่วยด้วยสิ่งภายนอกไวรัสและเชื้อโรคของมันนี่ก็คือยิน ยินละเช่ตอนยินละเช่ตอนนี่จะไม่จะไม่มาเล่นงานร่างกายเพราะความอ่อนแอของร่างกายเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลลัพธ์ที่เขาต้องการเพราะมนุษย์สามารถจะอ่อนแอด้านร่างกายนอนติดเตียงแต่อีมันแข็งแข็งที่สุดในโลกก็ได้ ฉะนั้นยินและชะต้อนที่มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการให้มนุษย์ไปหยนณะไหยนะนี่ไม่ใช่ว่าจะตายนะไหยนณะนี่หมายถึงว่าให้เขานรกเล่นงานวิญญาณเพราะมันจะคุมพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยทิศทางของความดีและความชั่วมันอยู่ทีวญญ่วิญญาณเล่นวิญญาณเล่นจิตใจ เชตอนและยินจะมีผลกระทบประดือผลเสียต่อวิญญาณของเราให้อ่อนแ อ, อให้ป่วยด้วยวิธีหลายวิธีหลายรูปแบบรูปแบบหนึ่งก็คือทำลายวิญญาณของมนุษย์โดยตรงทำลายด้วยตัวเอง บุกรุกชีวิตของมนุษย์ด้วยการรุกรานวิญญาณของมนุษย์สึกมันจะต้องมีความสามารถพิเศษเที่ยวละให้กับยินและชะตอนบางตัว เรียกยินได้ฉเฉพนตัวนะไม่ต้งเรียกตนนะเรบ้านเรานี่ถ้าผีนี่เขาเรียกตนผีกี่ตนยักษ์กี่ตนแยกแยกแต่การแยกเนี่ยมันเป็นการให้เกียรติรนะดับและอันนี้ไม่ไม่มีไม่ไ ม, ม, ม, ม, ม, มีความสำคัญที่ต้องให้เกียรติฉะนั้นถ้าเรียก ตัวก็ไม่ผิดและไม่เป็นการดูดุไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสมากนะครับเไปเรียกยินตัวยินกี่ตัว ด, ดึมันจะมันจะมาเรื่องงานเราอะนะ mm hmm. เป็นงานเองเลยถ้าจะเรื่องงานยังไงอะโลกของมนุษย์ของวิญญาณและกโลกของยินนี่นะมันคน ล, ละโลก Allah ได้มีกให้มีกำแพงระหว่าง โลกของเราและโลกของยินแต่เราได้ให้ยินเนี่ยได้มีความสามารถบางอย่างเช่นการที่ยินเนี่ยสามารถมองเห็นเราได้ทุกเมือ่อแต่เรามองเห็นมันไม่ได้ทุกเมื่ออินนุยาลากุมฮุอาวกบฮมินไฮซูละตรอหนุมอิบลิสและพระพวกคองมันเนี่ยสามารถมองเห็นเราได้ โดยที่พวกเราไม่สามารถมองเห็นมันได้ถึงแม้ว่ามองเห็นได้อนนะนแต่จะเข้ามาแทรกแซงมาควบคุมมาเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของมนุษย์นี่นะอันนี้ไม่ได้สำหรับยินทุกตัวนี่ไม่ได้ต้องมีเงินไขต้องมีจังหวะต้องมีอะไรบางอย่างซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็น เนื้อสารที่กว้างขวางบางอย่างที่ตัวบทในคุรอัลและฮะดีษเนี่ยให้ข้อมูลบ้างบางอย่างนี้เราก็อาจจะไม่รู้แต่จะทราบจากประสบการณ์สิ่งที่สุนนเนี่ยได้บอกว่ามันจะเข้ามายุง่งเกี่ยวกับชีวิตของเรามากกว่าการมองเห็นนะเช่นการมานอนที่บ้าน มานอนมีเตียงไหนว่างหนึ่งมานอนห้องว่างที่ไหนนี่เขาอยู่อาหารที่ไหนที่ไมริกาวิสมิลล่านี่ยิ่งถ้าบ้านทั้งบ้านนี่เข้าแล้วก็ไม่ดกาวิสมิลล่าไม่ีมีจิกรุ่งไม่ีมีอ่านกุศอ่านนะเขาอยู่เลยอัลลอฮฺมุลอาชาฮัลมาบีดในตอนนี้ก็จะบอกใตอนที่มันเร่ร่อนไม่มีที่อยู่นะมันก็ไปหาที่อยู่บ้านมนุษย์นี่นะนั่นหมายรวมว่า ยินมันต้องการความสงบความมั่นคงเหมือนมนุษย์นี่ยินบางชนิดเนี่ยมันก็อาศัยอยู่ตามธรรมชาติแล้วก็ได้ความมั่นคงของมันเพราะยินเนี่ยมันไม่ได้ประเภทเดียวมันหลายประเภทหลายเป่าพันหลายชนิดยินที่อยู่ตามภูเขาตามต้นไม้ตามถ้ำนะตามที่รกรึยินที่มันไม่ชอบอยู่อยู่ที่แบบนี้ขออยู่ สี่ดาวห้าดาวหน่อยอาหาบ้านดีๆหน่อยมันเลือดเลยนะาหาบ้านดีๆหน่มีของกินมีอะไรนี่แต่อาหารที่เขากล่าววิสมิลลากัร์นยินเนี่ ย, ยมันมันมายุ่งไม่ได้บ้านนี้เขากล่าววิสมิลลาตอนเข้ายินมันเข้าไม่ได้แสดงว่าแสดงว่าในคําสั่งสอนอิสลามมันจะมีกุญแจมีรหัสที่เราสามารถล็อกประตูหลายประตูที่เราะ็อ ให้มันเป็นกำแพงระหว่างเรากับเรากับยินอะระหว่า ง, ง, ง, ง, งมานุษย์กับยินอะสุวนนั่นนี่ยได้บอกว่าแต่กล่าวบิสมิลลาห์นั่นแหะยินไม่เข้าไม่ได้แต่ถ้าไมีไม่มีใครก ล, รล่าวบิสมิลลา์เเข้าบ้านผมวบิสมิลลา์กินดื่มก็ไม่ได้กล่าวบิสมิลลา์ชัตวานาี่เด็กพขกเลยอัรักตุมลอาชาอวัลมาบได้มีอะไรกินและได้มีสถานที่ค้างแรมด้วยดงนั้นใครจะมาบนบอกว่า ไม่ยินเสียงกกกก็เกะก็เกกหนูเบาวไม่ใช่บางทีก็เป็นตัวดําอะไรวฟเวอย่างเงี้ยก็ดูสิว่าวันไหนคืนไหนนี่ที่เข้าบ้านแล้วก็ไม่ได้กาวิสพิลากันหรือว่าบ้านนี้เนี่ยอาจจะเป็นบ้านที่กินแล้วก็ไม่คือกาวิสพิลาเลยเพราะก็อยู่กันนานๆแบบนี้เนี่ยแสดงว่าของกินดีอะกินได้อ่ะเพราะไม่ได้กาวิสพิลาเนี่กินได้อ่ะกิน จากประสบการณ์ะบ้านเราวันน่ะยินบ้านเราเนี่ยเหมือนมนุษย์ซึ่งมันมีหลักฐานบางอย่างที่บอกว่ า, ย, ายินยินนี่มันอยู่กับมนุษย์อนะเพราะมันอยู่กับมนุษย์เนี่ยมันก็ถ่ายทอดพฤติกรรมของมนุษย์ยินบ้านเราเนี่ชอบกินข้าวแต่ทำไมถึงหมอดูนี่พวกหมอดูพวกรวมถึงหมอแครกันนะ่ะเวลารักษาเดี๋ยวข้าวมารวย ข้าวที่มนข้าวถวายนะของถวายนี่เนะ่ยชีวิตทั้งนั้นนะบางอย่างนี่หละการศาสนาในบอกในช่องทางยินนจะมาทางนี้นะ่มันจะมามาก่อกวนชีวิตของเราแบบนี้ถึงขนาดที่สามารถเข้ามาก่อกวนไปในร่างกายของเราเลยเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราเลยซึ่งในหลักการของกุษานราฮานิเนี่ย ก็จะมีบางอย่างบางตัวบทที่จะบอกว่าความอ่อนแอของเราเนี่ยความความอ่อนแอของวิญญาณเนี่ยของจิตใจเนี่ยมันเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ยินและเชตอนเนี่ยสามารถเข้าไปยึดเข้าไปครอบงําจิตวิญญาณของเราอ่อนแอคนที่ทำบาปเยอะทำความชั่วยเยอะ คนที่สภาพจิตใจนี่อ่อนแอเนี่ยชื่าตอนนี้จะา่ารากอ่อกวนฉะนั้นมีโรคบางชนิดเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นโรคที่ไม่เกี่ยวกับยินแต่ที่จริงแล้วถ้าพิจารณาแล้วนี่นะมันน่าจะเกี่ยวโดยตรงนะเช่ น, น, นโรคย้ำคิดย้ำทำเรื่องนี้กูอาจจะพูดถึงเลยมันเป็นผลผลิต ของเชื้อตอนชัดๆจนกระทั่งอัลลให้ใช้ยากัมกับยินนี่ว่าอัลลอซวาสอัลคอนเนสมิ่ชอรรีลลวาซลคอนสขอความผู้ครองผู้ครองให้พ้นจากสิ่งเลวร้ายของอัลลอซวสสิ่งที่กระซิบกระซาบการกระซิบกระซาบคือวสวสวสวส กริบกระาบมันต้องเบาๆนะกซิกาต้องเสียงเบาๆอลาัลฮนัสมันไม่ได้กรซิบทีเดียวนะมันกรซิบแล้วก็หลบหนี้ันัสขนสัขนสวนหนีฮนสันสกรซิบแลไปพอไม่ได้ผล น, นี่มันก็มากรซิอีกแล้วหนีไปเนี่ยวาสวาสฮนนัสโรคยีค่มทีเยียมทำ เนี่ทำน้ำละมันหนึ่งสองสามเอ๊ยยังยังหนึ่งสองเนี่ยเชือตอนเชือตอนมันยังยังเนี่ยยังไม่เกี้ยงยังยังไม่ละเอียดสองสามกว่าจะเสร็จหน้ากระหมดไปแล้วเนี่ยสามสิบลิตรมาล้างหน้าทีล้างหน้านะ ยังนี่เนี่ยใต้จมูกนี่ต้องระวังนะเนี่ยตรงเนี้ยใต้จมูกนี่ต้องล้างให้ดียังไม่เสร็จเอาล้างแล้วก็ล้างใต้จมูกมั่นใจป่านเนี้ตรงนี้ล่ะให้ล้างเอาอีกทีหนึ่งแล้เรื่อยๆคนที่มีโรคยั้มคีเดยียมทําถ้าไม่เกี่ยวกับศาสนานะอันนั้นเระบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องจิตใจหมายถึงว่าถ้าเขาอาบน้ำละหมาดถ้าเขาละหมาดครั้งเดียวจบนะแสดงว่ายั้มคีเดยียมทําของเขาเนี่ยไม่ได้มาไม่ได้มาจากชะตอมาจากนัำสู อันนี้เปรักษาตามขั้นตอนของยางคิดเรียวนาของจิตแพทย์ได้แต่ถ้ามันลามมาถึงเรื่องไอบาดา้าโดยเฉพาะไอบาด้านี่นะอา่าละมาดก็ยากละมาดก็ยากอันนี้เนี่ยมาจากเฉยตอนแน่นอนมาจากเฉยตอนแล้วท้าพิจารณาแล้วมันก็มันก็คือสิ่งที่มันต้องการเฉยตอนต้องการรต้องการให้เรา ให้เราเข้านรกใช่มเข้านรกยังไงก็อิบะดาที่เราทำนี่ไม่ให้สำเร็จผลอ่านนั้นละหมาดก็ไม่สําเร็จละหมาดก็ไม่สําเร็จไม่เคยมีคั้ชั่วไม่เคยมีอะไรและยิ่งช่วงตอนนี้มามาเข้าทางความเคร่งครัดของเราคือเราเนี่ยด้วยความเคร่งครัดวัลลามาต้องให้ถูกต้องที่สุด อานนละมาที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยเราก็เข้าใจว่าที่เรากำลังทํานี่นะมันก็คือความเข่งคัดเนี่ยไม่ใช่นั่นคือประตูที่เชื่อตอนเครื่องมือที่เชื่อตอนเอามาใช้เล่น ง, งานของเราทําให้เราเนี่ยปลอบใจให้เรารู้สึกเออเราเข่งคัดไงนี้มันแสดงว่าความเข่งคัดไม่ใช่การอ่านนละมาท์แล้วการอ่นานนัตนอีกเนี่ยซ้าอีกแล้วอีกเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยฟุ่มเฟือย น้ำ ม, มูกเหรอไหนี่อันนี้แสดงว่าอันนี้ศา ส, สนาส่งเสริมไม่ไม่ส่งเสริมแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือมันกระซิบเราก็เชื่อมันมันก็ทราบเราก็เชื่อมันเราทําแล้วนี่มั่นใจแล้วเนี่ยแต่ไม่ยอมจะมั่นใจสักทีนี่เชื่อมันอยู่ดีการเชื่อฟังเชตตอนแล้วอัลลอฮ์ห้ามไม่เชื่อฟังเชตตอนเพราะมันเป็นศัตรูอ่อนแอขนาดนี้ถึงขนาดที่สามารถจูงจงมูก เราเนี่ยให้อาบน้ำประมาทเป็นชั่วโมงให้ละหมาดบางทีเป็นชั่วโมงโดยที่ आ, เรา न, न न, त, นึกว่าเราหนีแจวแล้วบางคนบอกอัลลอฮฺอัลลออัลลอแล้วอะไรที่มาจะมาสนับสนุนสนับสนุนที่ความเลอะเทอะที่เขาทำอยู่อ๋อนี่มันยังไม่ติด มันยังไม่เห็นกาบะมันยังนีเ่เอาเอาเหตุผลอะไรส่วนานับบีสอนละหมาดแบบนี้เนี่ยนะป่านี้เนี่ยเราได้เซกตัวบทหลักฐานอันนึงอะนะว่าที่ซาฮาบาะแล้อบบีเนี่ยก็ทำเนียเนี่ยก็จะติดถ้าไม่พุบเลยอะไม่พุบเลยเลกอย่างหนึง่งมันเป็นเรื่องอันนี้เป็นเรื่องด้าน a n t h o p o l o g y a n t h o p o l o g y นี่ก็คือพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยสิง่งแวดล้อมของเขา เรื่องนี้เนี่ยไม่มีหลักการศา ส, ะสะนาส่งเสริมเลยแต่มันมีความคิดของสำนักคิดทุกพื้นที่ที่ยึดมัธยบชาวีอีนะจะมีปัญหาเรื่งเพราะมัธยบชาวิอีนี่ในเรื่องการอาบน้ละหมาดทำความสะอาดและละหมาดนี่นะครึ่งครับที่สุดต้องซะนี่ยนี่เจตนานี่มันต้องเป็นช่วง ขณะที่กกลังกล่าวอัลลอฮฺฮุอักุรอร์รและกำลังจะเข้านี่นะให้เนียดตรงนั้นอิมาซาบชาบีมาซบเดียวฉะนั้นคนเนี่ยกว่าจะเอาเนียดนี่มายัดตรงนั้นอ่ะมายัดในช่วงนั้นเน่ยกว่าจะสศอ้าใจอ่ะนะมันเนียดมันตรงนั้นหรือเปล่าเพราะเขาสงสัยไงเพราะมันเป็นเรื่องถึงขนาดที่อุลามะปรมาจารย์อิม่าซาบชาีอย่างอิหม่ามกษาลีกษาลีอิม่าซาบชาบีนี่ถือสุดยอดเลย و َ ق َ و ت لَوَأَنَّ مَذْهَبَنَا فِي الطَّهَارَةِ و َ ا ذ ه ب ل ك ن ِ ي ي ه و ي َ نِرَةً عَنْ ك َ ب ِ ا เราจะสังเกตนะไปดูมัสยิดฮารอมะนะก ะ, ม ะ, ะก็มีลแวกมาลายูนี่แหละแล้วก็ที่ถ้าประเทศอียิปต์เนี่ยที่มิชวีก็มีเป็นแบบนี้เหมือนกันถึงบอกว่าบางทีเนี่ยทัศนะถ้าเราเติบโตกับทัศนะและไม่พยายามที่จะหลุดพ้นจากมันไปสู่ตัวบทหลักฐานเนี่ยเนี่ยเาจะเาจะไม่ได้ฮีดายาเนี่ยถึงบอกว่า กุรา น, นี่ดยาทีฮุดะคุรา น, นีเป็นฮดฮดนี่หมายถึงว่าเป็นทางนาที่กระจ่างบางทีนี่อาจารย์ให้ทางนาครูให้ทางนาคุณพ่อให้ทางนาแต่ที่กระเจ่างที่สุดนี่นะถ้าบางคนนี่ให้ทางนำที่มันคุมเคือหน่อยนะุรา น, นี่จะกระจ่างเลเรายึดในมัซฮับยึดในมัซฮับฮนบียยึดในมัซฮับชฟีมลิกีฮามบลีรือยึตในทัศน์ศนศ i, นนของอาจารย์ที่เราเคารพนับถือ มันมันไม่ได้สร้างความสบายใจให้เราเราต้องไปหาความสบายใจในคำสั่งสอนของของคุณอาลมากกว่าถ้าชัยตอนเนี่ยได้ทบช่องว่าช่องหวในตัวเราเนี่ยขณะอ่อนแอนะนะสามารถเข้าไปขงังเงินยังไงอันนี้มันเป็นเทคนิคที่ม่มีใครรู้ ว่ายินเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในวิญญาณยังไงไม่รู้แต่ในกุรานและฮะดีษยืนยันว่ามีจริงในคุรานยังบอกวะขบบตรุษเซตาอุมินัลมัสคนที่กินดอกเบีย้ยคนที่กินดอกเบีย้ยเล่นกระด บ, บี้นี่เชีวิตเขาจะวุ่นวายเหมือนคนที่ชีวิตวุ่นวายจากการที่เ ช, ชตอนและยินเนี่ยเข้าตัวอมิลมัส มัสยิดไปก็ไปแตะแตะได้ไงมันยูเข้าเข้าไปยุ่งละเข้าสามารถเข้ามาสัมผัสชีวิตขขงเอาแล้วมันจะแตกต่างอะไรกับที่ท่านนาบีได้บอกท่านนาบีอัติการในมัสยิดสิ่งคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนและท่านหญิงซอฟียาพรรียของท่านเนี่ยมาเยี่ยมท่านนาบีก็มายืนหน้าประตูมัสยิด และนบีก็ยืนหน้าประตูภายในมัสยิดแต่มันมืดเไยก็มีซาฮบะคนนึงเดินมาเดินมาข้างหน้านี่ท่านนาบีกับซอฟียะซึ่งแน่นอนก็ต้องรู้จักท่านนาบีแต่โซฟียะนี่ไม่รู้จักที่ว่าเป็นใครคุมคุมเต็มตัวนี่ไม่รู้จักก็เป็นเลยนบีก็เลยเรียกยาฟุลันอินนะฮะโซฟียะนี่มันี่มานี่ม น, มนี่นี่โซฟียะนะภรรยาชันเองนะ บางคนนี God, e, achts, ่ม you know, ันก็ส like, ุภานวลยอห์นสุลแล้วโอ้ข้าพเจ้ามีบางอาจที่จะสงสัยหรือจะคิดอะไรไม่ดีกับท่านนะท่านท่านทําไมต้องมาบอกคือนบีบอกว่าเอออย่าไปคิดว่าเป็นผู้หญิงนะฉันคุยกับผู้หญิงใครก็ได้นไม่ใช่นี่เป็นภรรยาเองนะเขากระเป๋าเลยผมผมไม่คิดไม่บางอาจที่จะคิดแบบนี้ท่านนบีก็เลยบอกว่าอินชาอิสตานะลเยจีมินิบินีอาดัมมเจอเดมิแท้จริงนั้นชัยตอนเนี่ย มันวิ่งในสายเลือดวิ่งในตัวมนุษย์เนี่ยลูกหลานอาดัมเนี่ยเหมือนเลือดที่มันวิ่งอยู่ในสายเลือดหมายถึงว่ามันสามารถเข้าไปยุ่งอันนี้เนี่ยหมายถึงว่านาบีอุปมาว่ายินเนี่ยมันสามารถเข้ามากระซิบกระซาบเข้ามาสร้างความวุ่นวายด้วยการกระซิบกระซาบเหมือนเลือดที่อยู่กับหมายถึงว่ามันอยู่กับเราตลอดเวลาใช่สิพอกอรีน และนบีอาจจะหมายรวมถึงชชยตอนตัวนี้น่ะนะยาเซรมีนที่มันอยู่กับเราเหมือนสายเลือดนี่นะมันก็คือตัวกรีนกรีนนี่ติดอยู่กับเราตลอดเวลากรีนนี่ไม่สามารถไล่ไปไหนได้ที่เราขอดูอาข้าวห้องน้ำบิสมิลลาห์ลาอูมะอินีอูดูบิกามินัลขุบุธิวะลขบาบางเรงานที่ได้อธิบายนฮะดีษเนี่ย สิ่งเหล่านี้หมายความว่าศะพท์รับตับยีนัยขบุษและขบายธุครานชียาทีนวละหญิงเธอเฉทอนทั้งตัวผู้และตัวเมียเฉทอนนี่หมายถึงว่าตอนเข้าไปในห้องน้ําแล้วก็อ่านดูอานี่ป้องกันไม่ให้เฉทอนทั้งตัวผู้และตัวเมียเนี่ยไม่ให้มองเห็นเราได้ไม่ใช่เฉทอนที่เป็นคอรีนเฉทอนทั่วไป มือน ح د, ث د ی ی ا إ ี ح د ث ที่ท่านนบีด้บอกอินนั่นมาเลกตาฮลิซมดุบุคฮาริอุีอินนันมาเลกตาจะไม่เข้าบ้านที่มีสุนัขและรูปปั้นมาเลกานี้เนี่ยไม่ใช่มาเลก้าที่เป็นคอรีนเหมือนกันเพราะเรานี่มีคอรีนที่เป็นชตอนแล้วก็มีคอรีนที่เป็นมาเลก้าแต่มาเลกจะไม่เรียกว่ากอรีนมาเลก้ที่เหมือนคอรีนน่าจะอยู่กับเราตลอดเวลาเหมือนกัน ถึงแม้ว่าบ้านเนี่ยมีสุนัขมีรูปปั้นไอ้มาอะไรก็นท่านนี้เนี่ยอยู่กับเราตลอดเวลาฉะนั้นเข้าห้องน้ำมานะถ้าเรากล่าวดูอาเนี่ยใช้ตอนตัวอื่นนะ่ะที่มันมาพักอาศัยอยู่มันชอบมาตามเราจะมายุแย่ชอบมาแกล้งม า, มาหลอกมาอะไรอ่นะงนัถ้าเรากล่าวดูอานี่มันเข้าไม่ได้แต่กอรีนเนี่ยอยู่กับเราตลอดได้กอรีนเนี่ยมันจะไม่ มีบทบาทในการที่จะเข้าตัววิญญาณของเรานี่ไม่ได้มันทาไม่ได้แต่มันสามารถไปให้ความร่วมมือถ้ามันไม่เกงใจเรานะถ้ามันไม่กลัวเรานะถ้ามันอยากจะเล่นงานเรานะีมันสามารถไปไปไปให้ความร่วมมือกับยินตัวอื่นหรือนักเสยศาสตร์แต่ก่อนที่จะไปถึงนักเสียศาสตร์นี่เอาเรื่องยินตัวอื่นก่อนให้ยินตัวอื่นนี่มาเข้าตัวเรา มาสอย่างที่บอกยินจะมาเข้าตัวเรานี่ถ้าเราอ่อนแอใช่ไหมถ้าเราอยู่ในสภาพที่ไม่ผูกพันกับอัลลอฮฺไม่ผูกพันกับกุศลไม่ผูกพันกับซิกุรลล่อนี่เนี่ยมันมาเข้าได้ใช่ไหมแล้วยินตัวอื่นนี่มันจะรู้ยังไงเ่าว์เราอ่อนแอหนึ่งพฤติกรรมของเราหนิมันสื่อมันบอกยินเห็นเรานี่ร้องไห้บ่อยร้องไห้ทั้งวันทั้งคืน เห็นเราเป็นคนขี้กลัวเป็นคนอ่อนไหวขี้ตกใจทั้งหมดนี่มันเป็นจุดอ่อนที่ยินเนี่ยมาครอบงำได้หรือกรีนของเรานี่ยไปบอกกยินอาแล้วก็ยินตัวอื่นจะมาสนใจอะไรอะ่ะอาจจะมียินนี่นะเหมือนมนุษย์นี่มีมีหลายประเภทนะ มียินเรียบร้อยแม้กระทั่งยินที่ไม่ใช่มุสลิมะนะยินเรียบร้อยเชตตอนเรียบร้อยเรียบร้อย <laughs> ก็คืออัลลอฮ์จัดการมีกฎเกณฑ์ว่าไม่ต้องไปยุ่งกับมนุษย์โอชั้ไม่ยุ่งยินยินที่เรียบร้อยเชตตอนที่เรียบร้อยไม่ยุ่งโอชั้ไม่ยุ่งหรอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทําไม่ไ ด, ไได้อันนี้เชตตอนเรียบร้อยแล้วก็มียินเพลย์บอยยินสทร์ไอ้มนุษย์นี่มันทําอะไรอะ ไอคาราอกะข้างในนี่มันมีอะไรอะ่ะเฮ้ยเพื่อเพื่อทองคนผัวมีนี่มันมันไปทําอะไรอะ่ะยินนี่เพื่นี่อยากรู้ทํายังไงอะอยากรู้จะได้รู้ลึกลับทุกอย่างไงนะก็เหมือนโสทรมนุษย์บางคนเน่ยอยากรู้ทุกเรื่องเลยเรื่องชาวบ้านนะก็อยากรู้ทุกเรื่องเลยยินก็มีแบบนี้หรือมีบางประเภทน่ยชอบอ่ะชอบยินผู้หญิงเชยตอนผู้หญิงชอบ มนุษย์ผู้ชายหรือยินผู้ชายชอบมนุษย์ผู้หญิงก็มีซึ่งอุลมามะเขามีความขัดแย้งกันว่าชอบถึงขนาดไหนถึงขั้นที่แต่งงานกันได้ทัศนาอุาอลามาบางท่านบอกว่าใช่สามารถยินกับมนุษย์ที่สามารถแต่งงานกันได้แต่มันไม่มีตัวบทหลักฐานใดๆที่จะยืนยันในเรื่องนี้และเรื่องราวที่อุลามาได้ยุก ตัวอย่างมาว่านี่นี่แต่งงานจริงด้วยและในชาวสลับนี่ก็มีบางคนเนี่ยหายตัวไปแล้วกลับมาบอกว่าเนี่ยเขาไปแต่งงานมาคือทุกเรื่องที่ถูกแลงงานมานี่นะพิสูตน์ไม่ได้สักเรื่องเหตนั้นทศนะของสลับส่วนมากและอัลละมาที่มีความหนักแน่นในหลักการศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าจะมีหรือไม่มีเนี่ยหมายถึงว่าแต่งงานได้หรือแต่งงานไม่ได้อะนะ ไม่เป็นผลจะไม่ยอมรับและก็ไม่เชื่อและไม่ให้มีผลในโลกของมนุษย์แต่งใดไปนึงว่าถ้าสมมติว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งท้องท้องทอ ง, ทอ ง, ทองไม่ใช่ท้องก่อนแต่งนะคือไม่มีผัวเลยและไปถามว่านี่ของใครอ๋อ มันเป็นยินจบเลยสิถ้าเราอนุลโลมจะเปิดประตูนี้นี่นะทำสีนานี่ก็ยุ่งไม่ได้แล้วคนหนึ่งพาลูกมาสองสาคนเนี่ยอ่นี่ใครลูกใครอ่ะนี่ลูกเมียจะยิ น, ะนจะพิสูจน์ยังไงอ่ะพิสูจน์ไม่ได้เลอยอ่ะอิมามมาลิก็บอกว่าละตุกบาลุละตุกบาลุเชฮะดต อัจจวัージมาอัลญินใครที่จะมาอ้างหรือเป็นพยานอยขอให้มีพยานมาด้วยนะนี่ผมเป็นพยานเขาไปทํานิกาแถวแถวในป่านู่นน่ะแล้วก็มีนิกากันน่ะผมไม่เป็นพยานด้วยมาไม า, มาล็กบอกว่าไม่รับไม่รับเลยทําไมพิสูจน์ไม่ได้จะพิสูจน์ได้ไงอ่ะอาซูนนมีคนบอกกูจีมันจริงด้วยผมไปเนี่ยผมรู้สึกนี่ผมรู้สึกตอนร่วมหลับนอนกับ ภรรยที่เป็นยินนี้ผมรู้สึกผมรุ้ผมสามผัสได้เรื่องของเองเรื่องของเองอ่ะแต่จะให้มีผลปรากฏในโลกปรากฏของมนุษย์นะี่นะไม่อน่เนีแต่เป็นไปได้ไหมว่าจะมียินที่จะมาก่อกวนในเรื่องนี้หมายถึงว่าเรื่องเพด ยินที่จะมามามามากวนมนุษย์เนี่เพราะเรื่องเพศไม่เป็นไปได้แล้วก็มาจากสันดานของยินไอ้ที่เหมือนสันดานมนุษย์ที่ชอบอยากรู้อะไรเป็นอะไรอยากรู้หนึ่งในผลที่อุลามานเนีบอกว่ายินกับมนุษย์แนี่่งงานกันไม่ได้เนี่เพราะเพราะมันไม่มีหลักฐานบอกเลยว่ารูปร่างสรีระของยินเนี่ยเหมือนมนุษย์ สัตว์เดรัจฉานนี่มันก็สืบพันใช่ไหมแต่มนุษย์นี่ไปสืบพันกับเดรัจฉานได้ไหมไม่ได้รูปร่างของสัตว์กับรูปร่างของมนุษย์นี่มันคนละเรื่องยินก็เหมือนกันเราจะรู้ยังไงอ่ะว่ายินเนี่ยรูปร่างของยินเนี่ยมันเหมือนกับมนุษย์เวลาสืบพันเวลามีการร่วมร่วมับนอนนี่มนุษย์นี่จะจะรองรับได้งไงอ่ะไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ในเรื่องนี้แต่มันจะมาก่อกวนเรื่องนี้เป็นไปได้อยากรู้ ที่มันอยากรู้นี่มันมีตัวบทหลักฐานในกุรอานนะมันอยากสนุกมันอยากบันเทิงมันก็จะเข้ามายุ่งกับชีวิตของเราด้วยเหตุผลเนี้ยโดยการครอบงําวิญญาณของเราอย่างที่บอกก็ยังไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลว่าแล้วมันจะเข้ายังไงไม่มีแต่กุตัานพูดมเลมัสสุนนะของท่านนาบีลต่านอะไรก็เคยมีคนที่มาท่านนาบีให้อ่านกุตัานรักษากุตัาน โดยกุูอ่านในคนที่มียินยินเข้าตัวนี่นี่และเนื่องจาว่าเป็นสิ่งที่มันไม่มีมันไม่มีอะไรที่สัมผัสได้ น, นะนอกจากตัวบทที่เราต้องเชื่อนะทาให้กลุ่มแรกที่เขาใช้สติปัญญาในการตีความตัวบทหลักฐานว่าอะไรที่มันสัมผัสไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้ด้วยสัมผัสของมนุษย์เนี่ย แล้วสติปัญญานี่รับไม่ได้นะก็จะตีความปฏิเสธไปฉะนั้นกลุ่มมอตอซิลานี่เป็นกลุ่มแรกที่ปฏิเสธเรื่องการเข้ายินเข้ามนุษย์เนี่ยมอเตอซิลานี่ไม่ยอมรับและเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่สัมผัสไม่ได้จริงๆสัมผัสไม่ได้นี่หมายถึงว่ายังไม่มนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตหรือประดิษฐ์เครื่องชีวัด อ๋อนียน่ยินเข้าแล้วยินมีตัวเข้าแล้วเรายังไม่มีเครื่องมือแบบนี้ยังไม่มีแต่เราสามารถเห็นผลของมันน่ะผลของการเข้าของยินของมันมนุษย์ไม่เป็นตัวเองพูดไม่ได้เป็นเสียงของเขาเปลี่ยนพฤติกรรมเยี่ยงสิ้นเชิงอันนี้เราเห็นชัดเจน แสดงว่ายินเนี่ยมันสามารถเข้าไปครอบงำวิญญาณของเราผลลัพธ์อันสำคัญที่จะเกิดขึ้นจากการครอบงำนี่คือมนุษย์เนี่ยจะไม่สามารถทำาห้บาดาเพราะยินส่วนมากที่จะชอบเล่นงานมนุษย์ในเรื่องนี้นะก็คือยินที่มัสยิ ม, มุสลิมมีในยินมุสลิมที่ชอบสนๆก็มี แต่ส่วนมากที่จะมาทำเรื่องนี้นะก็ยินนิมมิชมุสลิมยินนิมมิชมุสลิมมานะถ้ามันเข้ามาอยู่ในร่างกายของเราอะนะแล้วเราเป็นมุสลิมเราละหมาดอ่านกุศอ่านฟังกุอานน่านะยินไม่เอาสิและเนื่องจากว่ามันครอบงำวิญญาณของเราอะนะคนคนนั้นก็จะเปลี่ยนไปจากคนน้ละหมาดกลายเป็นคนไม่ละหมาดจากคนที่ฟังกุอานพอฟังกุอานแล้วเนี่ยรู้สึกจากประสบการณ์นะยินเนี่ย น, น่าจะไป เกี่ยวข้องไปยุ่งกับประสาทและสมองของมนุษย์บางส่วนไม่สามารถครอบงํามนุษย์ร้อยเปอร์ซ็นะอาจจะบางส่วนหรืออาจจะเป็นบางช่วงทําให้มนุษย์นี่ไม่เป็นตัวเองพอฟังคุณอ่านรู้สึกเจ็บไอ้ที่เจ็บเนี่ยไม่ใช่ตัวมนุษย์เพราะมนุษย์ที่ยเฟังคุณอ่านปกติแต่เวลายินเข้ามาครอบงาแล้วนะ่ะไอ้ที่เจ็บเนี่ยคือตัวยินและเนื่องจากว่ายินเนี่ย มันคุมประสาทอยู่เนี่ยเราก็จะรู้สึกเจ็บเหมือนเขา้าเหมือนตอนยินเข้าแล้วเรารักษาในบางทีนี่อาจจะตีนะตีแล้วมันร้องไอ้คนนี่ร้องเนี่ยและเจ็บเนี่ยไม่อยู่ตัวมนุษย์ที่เจ็บแล้วร้องนี่คือยินพอหายแล้วพอยินออกแล้วแล้วถามอ่ะเนี่ยที่ตะกี้เนี่ยโดนตบโดนตีเนี่ยรู้สึกไหมไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลย มาครอบงำถึงขนาดที่มันสามารถมองเห็นสิ่งที่มันมองเห็นไม่ได้มันจะมองเห็นได้สิ่งที่มันสัมผัสไม่ได้มันจะสัมผัสได้สิ่งที่มันไม่รับรู้เนี่ยมันจะรับรู้รวมถึงเป็นไปได้ในเรื่องเมมโมรี่เรื่องเรื่องความทรงจำเรื่องความเข้าใจในมิติของมนุษย์เนี่ยเมื่อมันครอบแล้วครอบงำแล้วเนี่ยมันก็จะรู้เรื่องทุกอย่างทำไมอ่ะมันอยากจะสนุกเพราะอัลลบอกในวันเกียรมาณ์นะพอเราจะําหนิ มนุษย์ที่ไปเชื่อฟังยินและยินที่ไปเชื่อฟังมนุษย์มนุษย์และยินเนี่ยก็จะทูลอัลล์นี่ว่าที่เขาไปเชื่อฟังยินเชื่อฟังมนุษย์เนี่ยสุรตะนะฮะอัลลอ์พวกเรานี่นะมนุษย์กับยินพวกเรา อิสตันบเราได้แสวงหาความสุขบากดูหน้าบีบากดินซึ่งกันละกันคือมนุษย์เองไนะได้ความสุขยินเองนะได้ความสุขจากการนี้เข้าร่างของมนุษย์อแล้วก็มนุษย์ได้ความสุขในการไปยุ่งกับยินไปอยู่ในชีวิตของยินยังไงอันนี้นคือ รูปแบบที่สองที่มนุษย์ที่ยินเนี่ยจะครอบงำมนุษย์เนี่ยด้วยไสยศาสตร์ยินเนี่ยรู้แหละ ว, ว่าการที่จะเข้าไปอยู่ในร่างของมนุษย์นี่เน่ไปเข้าไปเองเลยนะไม่ได้หรือยากทำยังไงก็เหมือนทุกทุกทุกศึกนะสศัตรูเนี่ยจะได้จะได้เข้าไปในในดินแดนของศัตรูนี่นะต้องมีไส้ศึก ยินเนี่ยตั้งแต่สมัยอิบลิสานะก็พยายามที่จะหล่อเลี้ยงไส้ศึกในสังคมมนุษย์โดยสอนุชาอันเป็นรหัสเป็นเครื่องหมายวิธีพูดภาษาพูดคุยระวังยินและกระชัยตอนถ้าเรียกแล้วแนตะใช้รหัสนี้แล้วเนี่ยซึ่งมันจะเป็น ตาวิจะเป็นจะเป็นสำนวนที่เขาจะกล่าวเรียกเชตอนถ้าเรียกแล้ววนะันนี่เป็นการเปิดประตูเป็นประตูรับใช้หินละแล้วก็มาคุยกันในข้อตกลงว่าจะช่วยอะไรได้อยากจะใช้ยินในการที่จะทำลายคนนูน่นทาลายคนนี่หาของหาย ทําเสน่ห์ให้คนนี้รักหลงกับคนนี้คนนี้นี่เกียรตคนนี้กินก็บอกก็ได้แต่ฉันเนี่ยจะไปเองเนี่ยไปเองไม่ได้มันต้องมีกลไกกลไกเนี่ยเอ า, เอาชิ้นส่วนของมนุษย์คนนั้นเนี่ยมาแล้วก็มาอ่านเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนเท่ากับเปิดประตูให้ฉันเข้าไปอยู่ในร่างกายของเขาได้และสั่งมาเลยจะฉันทําอะไรเดี๋ยวฉันจะครอบงําจิตใจของเขาสมองของเขาให้เขาทําตามที่เราได้กําหนด ข้อตกลงระหว่างนักเศียสารกับยินนี้ได้กาหนดให้คนนี้เกลียดเมียแล้วก็ไปรักผู้หญิงอีกคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็ม า, านักเ ส, สียสารบก็อยากให้คนนี้นี่ยอยากกับเมียแล้วก็มาแต่งงานกับฉันถ้าจะให้มันให้มันประสบความสําเร็จเนี่ยต้องเอาของที่มันเป็นส่วนตัวมากที่สุด เส้นผมเขาอะไรแบบนี้แล้วก็นักเสสารนี่จะต้องถวายความจงรักภักดีต่อยินซึ่งจะต้องเป็นยินที่มีความสามารถพิเศษและยินที่มีความสามารถพิเศษล้วนเป็นลูกน้องอิบลิสและชะตานี่ต้องการปฏิบัติตามนบายขออิบลิสเนี่ยให้มนุษย์เนี่ยหลงผิดและเข้านารกอิบลิสนี่ล่อเลี้ยงมาตั้งแต่ฮารธและมารุต هاروت ماروت ن ي ت س ن ا ل ي د ُّ و ن ي م ش م َ ل َ ك ة َ ه ا ر ي ب َ ع ب ن م َ ل َ ك َ ن ب ن ْ ر ي س ضايف ج د ا ت ل م و َ و و م ا ن ز ل ع ل ى ا ل م ل ك ي ن ب ب ا ب ل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ن ي ا ت ي ب َ ع ن و س و ر ا ل ب ق ر ا ن ه ا ر و ت وماروت ن ِ ت س ن ا ل ي ُ د ُّ و َّ ق َ ن ِ ي ْ ب ن ْ مَلَكَةَ هاريسِ بَعْوَ بِنْ م ل َ ك َ ة َ نِيْبِنْ هاريس ا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتن فلا تكفر. ل س ا ن ت خ ن ع ي ن ر ِ ز ْ ي ا س ا ت سُود خص س ي ا ن ي ك و جاب قرر ا ن ه انك ك ف ر ن ا ت ج و ز تون كفرنا.فإذا ع ل م و ن منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجي.ريان رؤ سود ในการ اللي جا ا ن غ راوان سامي برايا.نكس س ي ا س ا ا داي برويد داي ق م ُ و ك จึงต้องมีข้อตกลงกับยินเรียกมันได้เรียกมันแล้วมันจะมาใช้มันแล้วมันจะรับใช้แต่สิ่งที่ต้องต้องแลกเปลี่ยนนี่ก็คือศาสนาเลยตรงเส้นไหวต้องถวายนู่นถวายนี่อันนี้ที่เราเรียกกันง่ายๆนะครับว่าอะไรเลี้ยงยิน แต่ต้องให้รายละเอียดนิดหนึ่งว่าเลี้ยงยินเนี่ยคนที่เลี้ยงเองหรือทําข้อตกลงเลี้ยงยินเองเนี่ยเนี่ยคุ้มนแน่นอนเต้องทําชิริกแน่นอนแต่บางทีเนี่ยยินนี่มันถูกเลี้ยงในบ้านจนไม่ยอมไปไหนอ่ะแล้วมันคุกคิวอยู่กับบ้านนั้นตลอดพอนักเสสาสนี่จะตายแล้วนะมันจะต้องถ่ายทอดวิชาเนี่ยให้ลูกหลานเขาเนี่ย รับต่อและจะมีลูกหลานของในสานที่จะรับรับูชาต่อแล้วก็ต้องทำบุญต้องเส้เสนไหว้ต้องอะไรต้องทำต่อเหมือนเดิมเหมือนพ่อเขาแต่มีลูกหลานนี่ก็ไม่ชอบแล้วก็ไม่ไม่เอาแต่ไม่เอานี่ยินเนี่ยมันไม่ยอมไปไหนมันคุ้นกับที่นี่แหละคุ้นกับบ้านนี้คุ้นกับต้นไม้ใหญ่ที่อยู่หน้าเขาเขาอยู่นี่แหละมันไม่เอาก็ไม่ต้องเอาดูกูไปหาเพื่อนคนอื่นแต่ฉันจะอยู่ตรงนี้ เป็นไปได้ว่ามีบางพื้นที่เนี่ยเขาไม่ได้เลี้ยงยีนแต่ปู่ย่าตายายเนี่ยเขาเลี้ยงยินคือมันผ่านไปแล้วนี่หลายเจเนเรชันน่ะหลายหลายรุ่นแล้วนะแล้วมันไม่ยุ่งกับตระกูลนี้เป็นไปได้ว่ามีบางทีเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยมีคนหนึ่งหน้าตาเหมือนเหมือนโต๊ะกีเขาเนี่ยเหมือนทวดเขานี่หน้าเป๊ะเลยไอ้ยินนี่มันคึกถึงเหลือเกินก็จะมาเล่นงานคนนี้เนี่ยจะได้ มาอยู่กับเขารับใช้เขานี่เพราะเขามีมีข้อผูกพันเป็นไปได้จึงสามารถอธิบายว่านี่บางคนเนี่ยมันก็โดนยินยินที่โดนนี่ก็ไม่ใช่โดนเพราะโดนของไม่ใช่เพราะยินชอบอะไรในตัวเขานี่ไม่มันก็คือยินของตระกูลแล้วมันมาก่อกวนจะได้รับให้มันมาอยู่กับมันอีกเหมือนที่ตอนอยู่กับบรรพบุรุษเยอะแบบเยอะ สตัมต่อบะดุนาบิบัดินเราแสวงหาความสุขซึ่งกันและกันมนุษย์นี่ได้ความสุขจะยินแสดงอิทิฤทธิ์มีรายการของผู้รู้อาชัดคนหนึ่งออกรายการทีวีและขอรับอันนี้อยู่ยในเน็ตสามารถไปฟังได้เองขอรับคำถามผ่านโทรศัพท์สดเลยนะก็มีผู้หญิงโทรมาถาม บอกว่าดีฉันนี่ชอบผู้ชายคนหนึ่งแต่ผู้ชายคนนั้นนะ่ะมีภรรยาแล้วมีลูกแล้วและฉันก็มีสามีแล้วก็มีลูกแล้วแต่ชอบผู้ชายคนนั้น <c oughs> ทํายังไ ง, งก็เลยไปหานักเสศาสตร์คนหนึ่งนักเสศาสตร์นี่โดยเฉพาะที่ประเทศคือประเทศทั่วไปประอารับทั่วไปหรือโดยเฉพาะในประเทศอียิปต์ นักเสียานี้ก็จะได้ยกว่าเชคเพราะส่วนมากนักศสียสารนี้ก็ต้องไว้เข่าใส่หมวกใส่โต๊ะอย่างเงี้ยเขาก็จะได้กันเช็คแต่นักเสียทีไม่ละหมาดเลยแต่ก็ได้กันเช็คไงถ่านบอกว่เป็นเช็คนี่ก็มาชวิวสนุกนะอ่ฉันก็ไปหาเช็คคนหนึ่งที่มันบอกว่าเล่าบอกว่าฉันน่ะก็ไปหาเช็คคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยฉันน่ะชอบผู้ชายคนนี้อยากได้มาเป็นผัว แล้วฉันจะยอมหย่า ก, กับสามีฉันเนี่ยจะได้แต่งงานเขาบอกว่าได้สามหมื่นขอขอสามหมื่นปอนน์นะสามหมื่น 30, ก็ประมาณสามหมื่นบาทนั่นแหละปรากฏว่าประสบความสําเร็จไอ้นั่นก็เกียรดภรรยาคนนั้นแล้วก็หย่าไปเลยนะแล้วก็มาแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้จนมีลูกด้วยอยู่เขาเนี่ยสองปีจนมีลูกด้ว ย, ยเขาขอบอกว่าสองปีเนี่ยเขามีความสุขมากที่สุดนี่เขากำลังเล่าแล้วกำลังเล่าให้ ผูรู้ฟัตัวเขาไม่ไดีฟัตัวเขาเรื่องนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังฟังพระโก้ด้วยหลังจากสองปีแล้วนี่นะสามีฉันนี่เปลี่ยนเลยแล้วก็กลับไปอยู่กับภรรยาคนเดิมฉันก็ไปหาเชฟ ค, คนนะั้นเขาบอกว่าเออกามียคนเก่าเนี่ยมาให้กูทําทํามึงอะ่ะนั่นมันเป็นเรื่องทํามากินนะอย่าว่ากันนะ แต่ฉันสามารถที่จะทำให้มนกลับมหาตัวเองอีกทีหนึง่งแต่ต้องเอาห้า0มื่นเพราะนี้งานมันเป็นงานพิเศษหน่อยดีฉันไม่มีห้า0มืนแต่เขาบอกว่าไปกู้ได้กู้ดอกเบี้ยได้ฉันอยากจะถามว่าด้วยดัวรู้เรื่องความจำเป็นเนี่ยดีฉันเนี่ยกู้ดอกเบี้ยได้ไหมเรย่อนี้อันนี้จริงจริงนาะพี่น้องไปดูได้นะครับใน youtube เนี่ยเทปนดังมากเลยนะ คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยไอ้ที่ไปทําศรษศาสตร์นี่ไม่ทิ้นึกเลยนะว่ามันบาปไม่บาปไอ้ที่ไปแย่งเมียเขานี่ไอ้ที่ไปหย่ากับสามีตัวเองมีลูกแล้วไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ได้ถามเรื่องนี้เลยนะไอ้ที่ต้องการผัวคนเก่านี่กลับมาหนี่และจะไปกู้จะจ่ายดอกเบี้ยดอกเวี้ยนี่มันฮั่นไหมเพราะมันมีความจําเป็นนะบาปไหมครับอาจารย์ตอบหน่อยคือถ้ามีใครมาเล่า มาเล่าว่ามีเรื่องนี้ผมไม่เชื่อแต่นี่เจ้าตัวนี่ถามเองถามด้ว ย, ด, ว ย, ด, วยด้วยน้ําเสียงของตัวเองแต่เรื่องคล้ายๆแบบเรื่องเนี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยมีไปถึงเรื่องเดียวทําให้คนนี้แยกกับภรรยาแล้วก็มายอยู่อันนี้ ม, ม, มีมีเยอะด้วยแล้วผมก็มีมีคนนี้มาถามเมื่อผู้ชายมาถามว่าอาจารย์ผมเคยไปทําของ ผู้หญิงคนหนึ่งแต่ผู้หญิงเขาไม่มีไม่มีไม่ ม, ม, มีสามีนะผู้หญิงโสดแต่เขาเขาเหมือนเขาไม่ไม่ยอมแต่งงานกับผู้ชายคนเนี้ยแต่ไปทําของจนเขาหลงแล้วก็มาลักเขาแล้วก็แต่งงานด้วยแล้วตอนนี้นี่ยกเราก็อยู่กันดีๆก็เข่งคัดกันทั้งคู่เนี่ยแล้วมาสะอาดทุกอย่างดูไอด้วยคำว่าดูไอนี่ผมรู้สึกว่าไเสินบนเบาที่เขาทําแบบนี้จนหลงเนี่ย มันผิดแน่นอนเราเขารู้ว่ามันผิดแต่ต้องบอกเขาไหมต้องบอกเขาไหมเหมือนเขาสำนึกใช่ั้ยเรารู้สึกว่าเออเขาจะต้องมามาบอกไอ้คนที่เขาหลอกเขาไปจนเป็นแบบเนี้ยก็ถ้าดีกันแล้วเข่งคัดศาสนากันแล้วฮะบอกแล้วไม่มีไม่มีคือเขากลัวว่าถ้าบอกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเขาจะโกรธแล้วก็ถ้ามาทางนี้เนี่ยเขาจะไม่ชอบนะ ถ้าในเมื่อเค่งคัดศาสนากันแล้วรู้เหตุผลกันแล้วนะบอกเขาเถอะบอกต้องบอกต้องซื่อสัตย์แลวต้องบอกและเรื่องนี้รู้สึกว่าในสังคมเนี่ยถ้าไม่มีใครมาเล่าให้ผมฟังสำหรับกรุงเทพมหานาครเนี่ยบางพื้นที่นี่นะเป็นเรื่องธรรมดาในทุกหมู่เก็มทุกชุมชนเนี่ยเกือบทุกที่เนี่ยก็จะมีหัวโจคนหนึ่งเรื่องนี ที่เลี้ยงยินแล้วก็ชอบทําของทำเสนีเล่นเล่นของกับชาวบา้านทุกที่เลยบางคนเนี่ยที่เป็นหมอแขกนี่บางคนเนี่ยดังดังถึงขนาดที่โอ้โหในระดับระดับด บ, บิ๊กๆเลยนะแต่บางคนก็ก็ระดับแบบเหมือนตามวัดอ่ะนะทำเสนีสามร้อยบาทสามร้อยบาทนี่ก็ะทำเสนีได้ ซึ่งให้รู้นะว่าสเสน่์และของยิ่งถูกนะยิ่งเป็นของไม่แรงทําเสน่บางบางอย่างนี่เศษาสตรนี่นะไม่ต้องใช่อะไรเลยใช้ชื่อเจ้าตัวแล้วก็ชื่อมารดาของเขาบางอย่างนี้ไม่ต้องใช้ชื่อใครเลยเขาจะอ่านเขาจะอ่านสวดใส่ในน้ำมาแล้วก็เอาน้ำนี่ไปราดหน้าบ้านใครเดินบนน้ำนี่ก็โดนของละของนี่ก็จะ ก็จะผิดปกติและจะรู้สึกว่าตัวเองนี่ต้องต้อ ง, องคือต้องรักษามีปัญหายินจะมาก่ อ, อ ก, กวนอะไรแบบนี้อันนี้มีแต่มันจะหายง่ายบางทีเนี่ยไม่ต้องอาจจะไม่ต้องรักษาด้วยกูฏอ่านผ่านไปแล้วสองสามวั น, นอาจจะหายเองก็ได้แต่ของที่มันจะอยู่นานเนี่ยก็คือเจาะจงอะถ้ายินนี่มาเฝ้าเลยมาจัดการนี่แล้วก็เฝ้าเฝ้าร่างคนนี้เล ย, เยอยู่กับมันตลอดเลยเนี่ยที่ต้องไล่ ต้องรักษาการรักษากุรานี่ทีบอกว่าชิฟะยาบําบัดรักษาโดยเฉพาะโรคนี้โรคที่มันกระทบวิญญาณถ้าโดยน้ํามือของมนุษย์เนี่ยทำบาปก็ต้องรักษาด้วยการทิ้งบาปโดยการยึดมั่นในหลักศาสนาถ้าถูกทําลายวิญญาณด้วยอินและเชตอเนี่ยก็เอากุรานนี่มาปราบนบีบอกว่า s u ร a t u l baqarah لا تستطيع هل بطلت สุรบักร้อนนี่นนักเสศาสินี ن ن ่สู ن ن ้ไม่ได้หรือยินเนี่ยสู้ไม่ได้เพราะมันปราบตัวบทหลักฐานที่เกี่ยวกับสุรเฉพาะเกี่ยวกับการรักษาเนี่ยมีอยู่ห้หบทเท่านั้นนะสุรฟาติยาที่นบีเคยอ่านใช้ในการรักษาโรคมืดนี่นะไลยินไลเชตอลน่นะสุรฟาติยาสุรบักร้อนนะและหนึ่งในบักร้อนนี่คือไอเลกุซีอยู่ในนั้นนะแล้วก็สามกุล นี่แนะที่มีตัวบทหลักฐานแต่เรื่องอื่นนี่นะตัวบทอื่นอื่นนี่นะก็จะมีแต่หลักฐานจากซาฮะบ้างจากตาบีอินบ้างแต่ที่มาจากนบีนี่ น, นะฮต้นนี่แหละฟาติฮะมักกรอซึ่งอายุกรุรซียู น, นี่นั้นแล้วก็สามคนพอไปดูแล้วนะมันเป็นยาเ้าไรกันะยารักษาพื้นบ้านที่ทุกคนเนี่ยเข้าถึงได้ฟาติฮะมีมุสลิม คนไหนเนี่ยที่ไม่จําฟที่หามเลยนะอายะกุรซีสามคุลฉะนั้นอัลลอฮ์ให้อาวุธกับเราเนี่ยอาวุธง่ายๆเนี่ยที่สามารถสู้กับยินไง่ายในอัษฎาริย์เช้ายามเย็นนบีบอกอัษฎาริย์เช้าอ่านอายะกุรซีถ้าอ่านแล้วนี่นะชัยตอนจะไม่ยุ่งจนหัวค่ำเพราะไปอ่านตอนเย็นดุชัยตอนจะไม่ยุ่งจนเช้ารุ่ง อ่านก่อนนอนและตอนตื่นเนี่ยทีน บ, บีแนะนํามานะแต่แลรแต่และช่วงนะั้นะมันให้เห็นนะว่าเป็นยาจริงกุณอ่านนี่เป็นยาจริงๆยาในการที่จะไล่ยินและก็เชยตอนที่เราบอกว่ามันเหมือนชื้อโรคนี่แหละชื้อโรคเราก็ต้องกินยาฆ่าเชื้อนี่ก็เหมือนกันเราต้องมีกุณอ่านใช้ในการฆ่ายินหรือไล่ยินวงเล็บนะ รักษาจริงๆคุรอาร น, นี่สามารถรักษาจริงๆ จ, งจึงสรุปได้นะครับว่าวิญญาณของเราดวงวิญญาร่วงของเราเนี่ยมันเป็นมิติที่พวกเราต้องหันมาให้ความสำคัญมนุษย์ส่วนมากนี่ก็จะมองว่าร่างกายของเรานี่คือสิ่งที่มีตัวตนมีถึงที่สามารถสัมผัสได้ จึงหันมาให้ความสาคัญกินดีกินอาหารดีๆกินวิตามินกินยาออกร่างกายให้ร่างกายฟิตๆให้แข็งแรงใช่ไหรู้ไหมว่าจะได้ทำยิมสักแห่งหนึ่งเนี่ยต้องลงทุนเท่าไหร่ยิมที่เขาออกร่างกายจะได้ดูแข็งแรงอะเป็นสิบสิบล้านนะ สิบสิบล้านนะแต่รู้ไหมจะได้สร้างมัสยิดนิดหนึ่งให้คนมารู้จักเข้าใจกุตัานเนี่ยต้องใช้งบเท่าไหร่ไปดูมัสยิด ท, ที่แอฟริกาแต่แทบไม่ต้องมีอะไรเลยไม่ต้องมีอะไรเลยกุตัานก็ไม่ต้องพิมพ์กุตัานอะไรเนี่ขเขียนกุตัานจากความจำมาโรงเรียนแห่งหนึ่งที่แอฟริกาที่ประเทศมาลีและในเจอประเทศเหล่าเนี้ยประเทศที่มีใครได้ยินไม่มีใครรู้ โรงเรียนหนึ่งอาจารย์หนุ่มเขาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเราสอนกุตอานาฟิสนี่นะถ้าสมมุติสมมุติเนีขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยคุตอ่านเนี่ยเผาไหม้หมดเลยนะเราสามารถเขียนกุตอ่านได้ละเอียดยิบเหมือนเดิมนี่คือเรื่องอัศจรย์จริงๆ ด้วยความทรงจําของนักเรียนและกัครูบาอาจารย์ในโรงเรียนเนี่ยที่เขาจำคัตอ่านเนี่ยทุกอักษรทุกสระท์สามารถเห็นได้อีกทีนึงซึ่งเคยเกิดขึ้นในยุคบรรดุอิสราเอลช่วงที่อาณาจักรบาบิลอนเนี่ยไปตีอาณาจักรของบรรดุอิสราเอลแล้วก็เอาประชาชาติบรรดุอิสราเอลเนี่ยเอามาเป็นเชลยทั้งหมดเลย ให้อพยพไปอยู่ที่เปอร์เซียซึ่งเป็นพื้นที่ของอาณา จ, จักรบาบิลอนแลขณะที่เกนเชลยศึกนี่ไปนู่นนะ่ะนะผู้รู้ของเขาที่ท่องจําเตารอเนี่ยคัมบีเตรารอเนี่ยตายไปหมดยกเว้นคนหนึ่งชื่ออูเซย์อูเซย์เนี่ยตายไปแล้วนี่แต่ Allah ฟื้นคืนชีพเขาเนี่ยเขาจะได้มาอ่นานเตารออีกท่าน อ, อ, อีกครั้งหนึ่งเขาจะได้จด จดเตารแลแล้วก็ไม่สาบศูญเขาจึงเห็นว่านี่นี่มันเป็นมาสจันบ่งชีว่าอูเซร์เนี่ยอูเซร์เนี่ยเป็นเป็นเป็นคนพิเศษของอัลล์เขาก็เลยบูชาบางกลุ่มบางนิกายของยูเนี่ยก็จะบูชาอูเซร์กอลติลฮูดอูซรุนบนุลลอ์เป็นบุตรของอัลล์เขาได้ทำสิ่งที่มันมันสุด ความสามารถในมนุษย uh ์ทาไม่ได้แต่นี่มันเป็นมหาสัจจันท์เป็นมจิอย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์ سبحانه และุรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรานรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรอรรรรรรรรรรรรรรรรนรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร คำยืนอื่นนี้อัลลอฮ์มอบหมายให้บรรดานักบวชบาทหลวงเนี่ยได้ปกป้องรักษามันแต่สําหรับกุฎอ่านเนี่ยเราอ่านอินนาละหูละเราอ่ะอัลลอฮ์เนี่ยจะเป็นผู้ปกป้องรักษาฉะนั้นทุกยุคทุกสมัยเนี่ยไม่เคยขาดสายคนที่จะท่องจํากุฎอ่านในความทรงจําของเขาถึงแม้ว่าในยุคนั้นน่ะจะไม่มีกุฎอ่านที่ถูกบันทึกถูกจาดึกไว้แล้วนะความทรงจําของ ผู้ท่องจำกุฎอ่นานนะคิกุอ่านเนี่ยก็เพียงพอที่จะปกป้องรักษาตลอดเวลาเมื่อกุฎอ่านถูกบกว่ารักษาเนี่เพื่อเป็นยาที่ทุกคนสามารถใช้ในการบำบัด ร, รักษาตัวเองในทุกโรคอย่างที่บอกและนอกจากนั้นและยังจะเป็นฮูดาหวฮุดันนี่อีิบาลานะมาอิซะตุนวชิฟ า, า, นะาอุนที่บาลนะพยายามอาที่ ให้ละเอียดที่สุดเท่าที่ละเอียดเท่าที่ได้อะนะ <c oughs> ว่ ah, าฮุดทั้งนำเป็นฮิดายะกุรอานนี่เป็นฮิดายะที่จริงฮิดายะนี่มันก็จะเป็นผลลัพธ์ที่กว้างขวางกว่ามอไวร์ซและกชิฟะเพราะกุรอานนี่อำนวยให้มีข้อตักเตือนแต่ จะรับข้อตักเตือนไมมรับจะมีผลไม่มีผลนี่ยังไม่รู้ชิฟ้ากุฎอ่านนี่เป็นยาแต่จะหายไม่หายนี่มันก็แล้วแต่แต่กุฎอ่านนี่เป็นฮูดาจะไม่เป็นฮูดาเนี่ยนอกจากว่าคนที่ยึดคุฎอ่านเนี่ยจะต้องได้รับทางนําแน่นอนไม่งั้นจะไม่เป็นฮูดาสิต้องเป็นฮูดาคือเราอ่านกุฎอ่านในฐานะเป็นข้อตักเตือนแต่อาจจะไม่เลิกทําความชั่วที่คุฎอ่านบอกว่า เป็นความช่วยยาธรรมทั้งตอนที่เราอ่านนะแต่ไม่เลิกอ่ะเราเอากุณอ่านมารักษาโรคมืดโรคเชยตอนโรคอะไรต่างๆนี่แต่ก็ไม่หายแต่ถ้าเอากุณอ่านนี่มาให้มาเป็นทางนํามานะจะต้องให้มีทางนํากับเราอย่างแน่นอนไม่มากก็ น, น้อยต้องมีทางนําไม่องั้นกุณอ่านจะไม่เป็นทางนําดิกุณอ่านสามารถเป็นยาได้ถึงแม้ว่าคนอื่นไม่หายเพราะเป็นยาในตัว กูตอ่านเป็นข้อเตือนได้ถึงแม้ว่าคนอื่นไม่จะได้รับข้อเตือนเพราะข้อเตือนอยู่ในตัวกุตอานเช่นเดียวกันหีดายะจะไม่เป็นหีดายะหนิจะเป็นหีดายได้งไงอ่ะถ้าคนอื่นไม่ได้รับฮีดายะฉะนั้นเป็นข้อสรุปว่าถ้าเราได้เกี่ยวข้องกับกุตอานอ่า น, นท่องจําศึกษาเรียนรู้เอามามาปฏิบัติมาเป็นวิถีชีวิตเนี่ยเราต้องได้ทางนําอย่างแน่นอนไม่มากก็ น, น้อยต้องมีทางนําสักระดับหนึ่งอ่ะ สักอย่างนึงอะถึงผมบอกว่าคุรอานเนี่ยช่วยได้ทุกเรื่องทุกเรื่องมีทางนำเช็คอาต์ว่กระเอร์อัลจีเรียดิท่านได้เขียนหนังสือความหมายคุรอานข้อดีของหนังสือเนี่ยว่าพอแกอธิบายนะสมมูงหน่อยก็อายะหนึ่งจะอธิบายประมาณครึ่งหน้าและจะสรุป ดายารจกอายานี้นะท่านเขาจะเขีนว่าฮิดายาทูลอายัเนี่ยอายนี้มันให้ฮิดายะอะไรบ้างข้อเตือนหรือยาที่ได้มาจากกุฎานี้นะมันอยู่ในทางนาที่เราได้จากกุรกานไม่มากก็น้อยเราต้องได้ประโยชน์แน่นอน บางทศนาบอกว่าไอ้ดินอนอะโเราขอให้เราได้อยู่ในในทางนำที่เที่ยงตรงบางทัศนะบอกว่าทางนำที่เที่ยงตรงนี้ อ, อิสลามบางทัศนาบอกว่าคือกุรอานให้เราได้อยู่ในทางนำที่เ ท, ที่ยงตรงนี้คือให้อยู่ในแนวทางของอัลกุรอานไม่ต้องอธิบายนะว่จะพูดถึงกุรอานนี่ก็หมายถึงว่าสุนนะโดยปริยาย พอในคุรอ er so ่านนี science, ้มีพูดถึงซุนนะพูดถึงท่านนบีสุลต์ละซเยอะแยะไปหมดเลยคนที่จะเอาคุฎอ่านอย่างเดียวโดยที่ไม่เอาซุนนะเนี่ยแสดงว่าไม่ได้เอาคุฎอ่านในตัวหืออ้างว่าจะเอาคุอ่านอย่างเดียวไม่เอาซุนนะไม่เอาฮดุงท่านนบีสลละซร์ลแสดงว่ายังไม่ได้อ่านุอานไม่ต้องคุยคุยยากทางนาตรงนี้เนี่ยฮูดาตรงนี้นี่หมายถึงว่าอะไรที่เรามองไม่เห็นกุฎอ่านจะให้เราจะให้เราเห็นอะไรที่เราไม่เข้าใจกุฎอ่านจะให้เราเข้าใจ อะไรที่เราคุ้มคือกุฎอ่านจะให้มันชัดเจนมากขึ้นอะไรที่เราสงสัยกุฎอ่านจะชี้ขาดไม่ให้เราสงสัยเพาะนั่นเอกุต้บเนี่วลาเขาอธิบายความหมายกุฎอ่านเขาจะบอกกุฎอ่านนี่ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์อย่างเดียวคือคนที่ทําซีนาเลิกทาซีนาคนที่กินเล้าเลิง ก, กินเล้าสหมาม่านี่เขาไม่ได้เลิกความชั่วที่มันเป็น รูปธรรมที่มันเป็นกระบวนการอย่างเดียวแต่สะบสะสาบ้านี่เขาเปลี่ยนความคิดด้วยคุอัา น, นี่มาเปลี่ยนความคิดของเขาด้วยมองโลกมองสปปรรพสิ่งต่างๆมองฟ้ามองคนงทุกอย่างนี่เปลี่ยนมุมมองไปด้วยมุมมองด้วยนะไม่ใช่เปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเดียวคนนี่อยากจะให้กุตั้นนี่เป็นทางนำจริงๆไะนะจะต้องเปิดเปิดใจ ให้คุณอ่านเข้ามาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแต่มันมีมันมีเรื่องที่เราต้องพิสูจน์บางทีเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงจากคนไม่ละมาเป็นคนละมาจากคนที่กินเหล้าไม่กินละเป็นคนไม่กินเหล้าแล้วจากคนที่ยุ่งกับเรื่องไร้สาระ <c oughs> ต่การเปลี่ยนแปลงของเรานีไา้ไม่ได้เกิดจากไม่ได้เกิดจากอัลกุรอานคือไม่ได้รับฮีดายะจากอัลกุรอานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจผมไม่อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องที่อันตรายเดี๋ยวเราจะตกใจไมคนที่เปลี่ยนแปลงเคยสูบบุหรี่ไม่สูบละดีไม่ใช่ไม่ดีนะดีแต่เขาไม่ได้เปลี่ยนเพราะเชื่อฟังอัลลอฮ เพราะกูอ่านบอกว่าทำความผิดทำความชั่วมไม่ดีทำร้ายร่างกายตัวเองนี่ไม่ดีเขาเปลี่ยนเพราะเขาได้มีเพื่อนและเพื่อนรักของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเอ้บุรีมันไม่ดีและเนื่องจว่าเขารักเพื่อนจริ ง, รงๆนะเขาก็ยอมเลิกซึ่งเรื่องนี้เราเห็นในชีวิตประจำวันประจำประจา ชีวิตของเราเนี่ยเราจะเห็นมันเป็นไปเป็นไปเป็นไปได้อผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายติดยาสูบบุหรี่ไม่เอาไหนนอนทั้งวันแล้วเกิดวันนึ่งอะนะไปรักผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าถ้าจะมาแต่งงานกับฉันนะนะเองต้องเลิกยาเองต้องเลิกบุหรี่แล้วก็ต้องทํางานทํามหากินเป็นเรื่องเป็นราวเออมันยอม มันยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่ทําทุกอย่างเลยและพร้อมเมื่อไรนี่นะมามามาขอแต่ยังยังอมงมแบบนี้ไม่เอายอมเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเรื่องนี้มีตั้งแต่สมัยท่นานนบีในเรื่องใหญ่แบบฮิจร้อนเนี่ยนบีจึงบอกว่าคนที่ฮิจร้อนนี่นะไม่ได้ฮิจราะเพราะอัลลอฮ์และรัสูลฮิจราะเพราะลิมรอ ة ทิน ว่มันกิดญญนฮิจตหรเพราะต้องการดุนยาหรือต้องการแต่งงานมีากากับผู้หญิงคนหนึ่งโอ้ฮิจรัตจากมักกะไปมาดินาหนี่ไม่ได้ไม่ต้องการอัลลอฮฺเราซูลละต้องการแต่งงานผู้หญิงคนนี้ก็ฮิจรัตไปเนี่ยฉันอยู่มักกะไม่ไหวเหงาฉันต้องฮิจรัตไปมาดินาหนี่ไปอยู่กับเธอดีกว่านบีจึงบอกเล่าประวัติเรื่องนี้ อิมนะฮะจัดได้อธิบาฮะดีสนี่นี่ยบอกว่าบางรางานถึงขนาดที่เอ่ยด้วยใครที่ทําแบบนี้แต่อิมแบบนะฮะจัดบอกว่าเป็นฮะดีส์ไรตไม่จริงไม่มีหลักฐานว่าใครเนใรี่ยที่ฮิจรักอิมแบบนะฮะจัดบอกว่าเป็นไปได้บบวันในดีแค่อุทาหรณ์อาจจะไม่มีคนทําแบบนี้ก็ได้แต่ถึงจะไม่มีคนทําก็ได้อะนะแต่แบบนอนะฮะจัดบก็อาจจะมีก็ได้อะนะแต่ไม่มีไม่มีรายงานที่ซอยชัดเจนนะ ต่อุทัยหอนนี่มันก็เพียงพอให้เห็นว่ามันจะมีคนที่ขนาดนั้นนี่ยทำไอ่บาดาขนาดนี้เนี่ยจะไมไ่ทําเพื่ออ l ล a h ละละสุเปลี่ยนแปลงชีวิตถึงขนาดที่ทิ้งบ้านทิ้งเมืองทิ้งบ้านเกิดของตัวเองเนี่ยตามผู้หญิงที่ตัวเองรักอะ น, นะนะเปลี่ยนแปลงชีวิตมไหมล่ะเปลี่ยนแปลงดีดีไหมเลยไปอยู่กันนบนบีไปละหมาดกันนบนบีแต่ที่จริงเนี่ยเขาไม่ดีไปนี่ไม่ได้เดินทางจากมะกะไปไมาดิานเนี่เพื่ออั l a h ละละสุ เราได้เปลี่ยนแปลงนี่นะให้ระวังเรื่องนี้ถ้าเริ่มต้นนี่มันเคยพลาดไปแล้วเนีย่ยดไม่ได้เตรียมไว้อย่างดีนะนะก็มาเปลี่ยนตรงนี้ก็ยังได้เปลี่ยนแปลงเพราะคนเปลี่ยนแปลงพราะอาจารย์เปลี่ยนแปลงเพรเพื่อนเปลี่ยนแปลงเพราะเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเดียวเพื่ออัลลอฮฺเรซูล <c oughs> ถึงจะเรียกว่าเป็นฮีดายะ ทางน้ำนี่คือทางน้ำของอัลลอฮ์ทางน้ำนี่คือทางน้ำของอัลลอฮ์ไม่ใชทางน้ำของมนุษย์ันน้ไม่สามารถไม่มีมนุษย์สามารถที่จะบอกว่าเอาถ้าไอคนนี้เนี่ยไม่ดาอยู่ใ น, นาทางของอุลมามะกลุ่มนี้ของของจะมาระกลุ่มนี้เนี่ยสแสดงว่าเขาหลงอันนี้เนี่ยหลงคนที่พูดแบบนี้หลงคุณบอกมาเลยนี่ว่าใครที่ไม่ตามกุรอานไม่ตามมัฮดีสไม่ตามมันนั่นะเขาหลง แล้บางทีเนี่ยหลงอะหลงเฉพาะเรื่องก็มีมัใชีหลงเป็นดอลลารนี่หลงทั้งหมดเลยเนีย่เพราะเขามีเรื่องหนึ่งที่ขัดกับหลักการเนี่ยไม่ใช่ปะเดีนี้เนี่ยคําว่าดอลาล์ค า, าว่าหลงอะนะแจกกันยนะิ่งกว่าทุเรียนในตัวนี้ทุเรียนเกลือนใช่ไปไหนเนี่ยก็มีแต่ทุเรียนบางค่ายเ ย, เยอะมากกับปีนี้ ตลาละนี่แจกกันเยอะนี้คนนีลาละกุมนี้กับลละกุมนีกลละตลละไปหมดเลยงาเลยกิดแล้วใครที่ไม่หลงอ่ะใครที่ไม่หลงล่ะไม่มีใครรู้ฮิดายะที่เราต้องการเนี่ยสายตรงจากอัลลอฮฺซุบฮานูตะละและเราจะไม่สามารถมีสายตรงได้นีนอกจากว่า จะต้องเข้าถึงกุฎอ like so so ่านเข้าถึง <Lay> ก <out> ุฎอ the ่านยังไงยังไหมายถึงว so ่าอ่านกุฎอ่านยังไม่เข้าใจก็ต้องเรียนรู้จะได้เข้าใจเข้าใจแล้วเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วต้องเอามาปฏิบัติปฏิบัติหมดไม่ได้เนี่ยค่อยๆปฏิบัติแต่ชีวิตของเราเนี่ยต้องรู้ว่าเรากําลังเคลื่อนไหวยังไงนี่ตามนี้ตามแตามนี้ตามคุฎอ่านเอ้าจะไม่ให้เราตามผู้รู้แต่ตามผู้รู้นี่แต่ผู้รู้นี่ที่เขาชี้นำเนี่ยโดยกุฎอ่าน แต่ผู้รู้ที่ชี้นำโดยที่ไม่มีกุฎอ่านนี่เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการชี้นำผู้คนนี่นะได้ค่ะถ้าผู้รู้นี่ไม่มีกุฎอ่านนี่เป็นตัวชี้นำมานะมีความหมายอะไรเป็นนักปราชญาเป็นเป็นปริเฟเซอร์เป็นเป็นด็อกเตอร์เป็นใครก็ตามความรู้กับเคารพในความรู้แต่จะไม่เรียกว่าทางนำใช่ไหมไม่รียกว่าทางนาจะบาบัด ตัวเองนี่ให้เลิกความชั่วเลิกบาปเลิกนู่นเลิกนี้ด้วยวิชาการทางสากลจะเลิกบุหรี่เขาบอกว่ามีอะไรมาแปะตรงเนี้ยแล้วก็ไอ้ที่แปะเนี่ยมันจะพ่นนิกุตีนให้เราสามารถเลิกค่อยๆเลิกมีสัมมีประเสาบอกันสัมฤทธิประสริมีในบุญไหม ถ้าเขาไม่ได้เจตนาอันนี้เป็นตัวช่วยได้นะแต่ถ้าเขาไม่ได้เจตนาะตั้งแต่แรกเลยว่าเลิกเพื่ออัลลอฮ์นั้นไม่ได้มุนเขาก็เหมือนอะไรเหมือนผู้ศรัทธาที่ไม่ทำสีนาผู้ศรัทธาที่ไม่ทำสีนาเนี่ยมีสองประเภทประเภทหนึ่งอะนะเขาไม่ทำสีนาจริงเขาไม่ทำสีนาแต่เขาไม่ได้ผลละบุญการไม่ทำสีนา เขมีนู่นอยใช่ทุกบาปนี่นะที่อัลลอฮ์ห้ามนี่นะถ้าเราไม่ทําตลอดเวลาเนี่ยเราได้ผลละบุญเป็นมีเตอร์เลยนะแต่เราต้องเจตนาตลอดเนี่ยที่ไม่ทําเนี่ยพรอัลลอฮ์ห้ามแต่มีบางคนนะนะไม่ทํำสินาก็จริงแต่ที่ไม่ทําเนี่ยพอไม่มีให้มีสิให้มันมีสิทันทีเลย ไอแบบนี้กันที่เขาเลิกอยู่นี้นะที่เขาเลิกอยู่นี้นะ ไ, ได้ผลระบุยังไงม่มีผลระบุเพราะเขาไม่ตั้งใจเลิกเพียงแต่ว่าเขาพร้อมนะพ ร, มพร้อมที่จะทำเซนาอยู่แล้วนะแต่ขอให้มีปัจจัยแล้วกันแล้วจะมีผลระบุยังไงเพียงไม่ทําซนาแต่เจตนาตลอดเวลานี่เจตนาตลอดเวลาถึงอุลมาได้บอกว่าเจ็ดจำพวกหรือเจ็ดคนที่จะอยู่ใต้ร่มเงาหออรรถในวันเกี่ยมะ น่ในนั้นร جل เดือดุ่มรัตุ ذات منصب وجمال ف ق ก ل อ ن ي อ خ ا ف الله ุชายคนหนึ่งหรือหญิงคนหนึ่งแล้วก็มีผู้ชายหรือผู้หญิงนี่มาชวนเขาเนี่ยทำจีนาโดยที่ไม่มีใครจะรู้ไงตะก้อลุหฉันักลวหรโดยทั่วไปนี ال, إ أ ن ن ن ن ่นะ มนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยกว่าจะได้พบกับเคสแบบนี้ น, นะค่อนข้างยากนะแต่ น, นี้ว่าจะมีคนมาเสนอทำดีนาแบบฟรีๆเลยแล้วไม่ต้องอะไรเลยนะค่อนข้างยากนะเอาแล้วลเพลงนั้นแสดงว่าเยาวชนยุะแยะมากมายเลยเนี่ยที่เขามีความเยียมเกรงต่ออัลลอ์แต่เขาไม่ได้พบกับโอกาสนี้แล้วจะไม่ได้ผลละบุญ น, นี้หรือ ไม่อุลลาบางท่านบอกว่าไม่เพราะโอกาสนี้เนี่ยมันก็คือจังหวะที่อัลลอฮ์อาจจะทดสอบด้วยซ้ําหมายนึกว่าไม่ไดีหมายถึงว่าคนเจอแบบนี้แล้วก็กล่าวว่าฉันกลัวอัลลอฮ์นี่แสดงว่าคนนี้เนี่ย إ ي م านเขาสุดยอดจิงจะอยู่แต่ร่ำรวยองัลลอฮ์นี่ไม่จำเป็นเสมออาจจะเป็นการทดสอบที่บางคนเนี่ย إ ي م านแอบแอบแอบอ้างอย่างเดียวอ่ะดูดูข้อแท้จริงมันจะเป็นยังไงอ้าวส่งคนไปนะนาะมาโกาดูเออหม م ا ن เขาใช้ได้ แต่บางคนนี่นะเขาอาจจะมีอหมาดีไม่ต้องเจอบททดสอบนี้ไม่ต้องเจอบททดสอบนี้ อ, อ, อัอลลอฮจึงบอกว่ากรณีที่จะมีบททดสอบริฟิตนะเสนอกับตัวเราเนี่ยมีตลอดเวลาถ้าเรามีความพร้อมที่จะตอบเหมือนชายคนนี้เหมือนคนคนนี้นะเราก็จะได้ผลละบุญเหมือนเขา ถึงแม้ว่าเรายัางไม่พบบททดสอบด้วยตัวเองไม่มีผู้หญิงมาเสนอเสนอตัวแต่ถ้าเสนอตัวเมื่อไรน่นี่เราพร้อมที่ต่อแบบนี้นะคนละมาได้บอกว่ามีสิทธิ์ที่จะได้ผ ล, ลบุญของชายคนนี้อยู่ใต้ร่วมเงาของ Allah อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตะอาลาเชนเดียวกันเอยู่ในที่นี่ราได้ส่วนอ่นของบ้านเนีจะมีอิยูั้ยครับนะรับเฮ้ยอินมีทุกที่ ยินมุสลิมหรือไม่ใชมุสล really like like ิมเนี่ยก็อยู่ทุกที่แต่อยู่ที่คือเราไม่สามารถบอกว่ามันจะอยู่ยังไงจะอาจจะยินมุสลิมนี่อาจจะอยู่มานั่งฟังกุฎานก็เรานี่ยมียินมารายการนี่ทุกที่เลยมันอยากจะมาฟังกุฎานสมัยซาราบ้านนี่ก็มียินมาฟังกุฎานมารายการมาฟังกุฎานก็มีแต่เรื่องนี้เนี่ยศาสนานี่ไม่ให้เราให้ไปให้ความสําคัญกันเท็ผมรู้รู้แล้วก็มีรู่ายังไง ไม่ต้องหรอกถ้าไม่ไม่ท ม, ม, มาทร้ายร่างกายนะก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาก็ปล่อยมันเข่าห้องน้ำเลวเจออะไรได้ยินเสียงอะไรนี้เจ อ, เ, อเดินถนนแล้วก็ได้ยินเสียงนูนเสียงเรียกสักก็อย่าไปให้ความสำคัญถ้าเราให้ความสำคัญนี่เข้าทางมันเลยยินที่มันแกล้งเราถ้าเข้าทางพรามันสนุกไงองที่บอกว่ามันอยากจะสนุก่ยเฮ้ยได้ไ ด, ได้ได้งานสนุกละ มันก็จะมามามามากันแกล้งตลอดมันสนุกกับเรื่องนี้เหมือนมนุษย์บางคนเนี่ก็ชอบแบบเนี้ชอบแย่ไปหลอกหลอกคนนี้จะได้สนุกเหมือนกันเลยแต่ถ้าเราอ่านกุอานอ่านกุอานเป็นไปได้ไหมว่ายินยินในห้องนี้มาฟังกุศอไหมมาอะไรก็ ม, ม, มีมีสิทธิ์ถ้ามีประสบการณ์ที่เหมือนสมมุติตุวโ บ, โบอย่างเงี้ยแล้วเราเบื่อเบมากจริงจริงนะเรารู้สึกเหมือนเราไม่ไม่ค่อยมีสติอ่ะกรณีนี้ยังสามารหมายว่า เหมือนตอนที่ตะ้งวิแต่มมันมันไม่รู้สึกตัวอะไรเลยอันนี้สามารถทำใหม่ได้ไหมหรือว่าไม่ควรหรอยังไงไม่รู้สึกถึงขนาดที่อ่านไม่เข้าใจแล้วไม่ได้อ่านแล้วไม่รู้ว่าอ่านแล้วไม่ได้อ่านอันนี้ต้องละหมาดใหม่อยู่แล้วแต่ถ้าเรารู้ว่าเรอ่านวปเถฮะเรารู้ว่าสมพานโนรบิลาวซีมอ่านไปแล้วหนึ่งาสี่ครั้งกันนะรู้นี่ในใจนะถึงแม้ว่าเราไม่เข้าใจไม่ไม่คุ้ชัวนะไม่ไม่ไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าใช้ได้ไม่ต้องละหมาดซ้ํา แต่ถึงกละหมาดแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ไปอ่านฟาดิฮะหรือไม่ได้อ่านฟาดิฮะเฮ้แล้วอ่านูุระอะไรเลิกแบบเนี้ยเอิม่ม น, นี้ไม่ใช่ไม่ได้แล้วก็อีกคำถหนึ่งคือดูอาตอนเ้าห้องน้ำครับเหมือนห้องน้ําที่เป็นห้องน้ำรวมที่มีห้องน้ำใหญ่อยีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือต้องอ่านตั้งแต่จะเข้าตัวห้องน้ําใหญ่หรือว่าจะอ่านตอนไม่นะฮะนี่เราเคยอธิบายมานานแล้วว่าการกล่าวดูอาเนี่ยดูอาเข้าห้องน้ําเนี่ย ไม่ได้ไม่ไดหมายรวมว่าขอบเขตของห้องห้องน้ำที่เป็นรั้วที่เป็นผนังนะเพราะดูอานี้เนี่ย น, น บ, บีให้กล่าวตอนเข้าขอละเอาแตก่อนนู้นส่วนมากในเวลาเขาถ่ายทุกหนักเนี่ยถายหนักเนี่ยเขาจะไปที่โลง่งขาอละนี่ไปว่าที่โลง่งลองนึกภาพนี้เวลาเขาไปถายหนักอย่างเงี้ยไปที่โล่งนะที่ไกลๆคนไม่เห็นเนี่ยเขาจะกล่าวดูอาตอนไหน ที่โลงนี่ไม่มีผนังนะไม่มีประตูนะเขาจะกล่าวตอนไหนฮะระหว่างทางตั้งต อ, อกจากบ้านนะ่ะนี่แหละอุลามาก็บางท่านก็เลยบอกว่าบางท่านนี่ก็บอกว่าอ๋อดูอานี้เนี่ยสําหรับคนที่ไปที่โลง่งๆนะก็ก่อนที่จะถอดเสื้อถอดเสื้อผ้าจะได้ถ่ายอุลาบางท่านก็บอกว่าพอไปถึงจุดนั้นแล้วจุดนั้นแล้วที่จ ะ, ท, จะที่จะทําธุรส่วนตัวนะ่ะก็ก็ให้กล่าว โอนแล้วนั่นบอกว่าไม่หลังจากถอดเสื้อจะเริ่มถ่ายทุกนี่ก็จริงจึงจะกล่าวนี่ทั้งหมดนี่มันให้เห็นนะว่าว่ามันไม่ได้มีตัวบทตายตัวว่า ต, งตรงๆนั้นเพราะฉะนั้นถ้าห้องน้ําคาร่าเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่มีขอบเขตแล้วไม่ได้หมายรวมว่าออห้องน้ํานี่ก็คือประตูห้องน้ำเนี่ยถ้าเราจะเข้าเราต้องเข้าต้องกล่าวก่อนที่จะเข้าห้องน้ำ แล้วบางคนก็บอกว่าจะเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ต้องเข้าด้วยข้างซ้ายใช่ไหมข้างซ้ายก็ข้างซ้ายแล้วก็กล่าวกล่าวแล้วก็ให้เข้าให้เข้าด้วยข้างซ้ายซึ่งการไปรเหยียบด้วยข้างซ้ายเนี่ยนี่ก็ไม่มีตัวบทหลักฐานเพราะอย่างที่บอกว่าตะกอนนู้นน่ะห้องน้ํานี่มันไม่มีมันเป็นที่โล่งไงจะเข้ายัางไงอาจะถึงขนาดที่บางคนเนี่ยนะผมก็เคยเป็นตะกอนนู้นนะ่ะ ลืมมานะเข้าห้องน้ำอยู่ด้วยข้างขวาใช่ปะ่ะเอาใหม่เอาใหม่ออกมาแ <laughs> สดงว่าเป็นกันหมดเลยแ <laughs> สดงไม่ต้องนะถ้าเข้าด้วยข้างขวานี่ไม่ไม่เพราะมันไม่มีตัวบทอยู่แล้วนะว่าต้องเข้าด้วยข้างซ้ายไงแต่มสัสยิดนี่มขีข้างขวานี่มีอมสัสยิดนี่มันชัดเจนเนี่มันมีมัน ม, มีอาคารมีอะไรชัดเจนดูอารก็เช่นเดียวกันถ้าลืมบางคนเนี่ย เข้าห้องน้ําแล้วก็เลืมกล่าวดุอิออกเอาใหม่ออกแล้วมากล่าวใหม่ไม่จําเป็นเข้าไปแล้วนี่ยก็สามารถกล่าวได้ให้บางคนเนี่ยบอกว่าเอา้าแล้วก็สิครูลอดในห้องในห้องน้ำสิครูรอดได้ไงหรือคนที่เข้าขอละสมัยท่านนบีเนี่ยเขากล่าวอุทิตรงไหนอ่ะแล้วท้าสาังฆาติอัลลมาบอกว่าให้กล่าวก่อนถอดเสื้อผ้าเนี่ยเขากล่าวกันตรงไหนอ่ะ ในปัจจุบันเนี่ยในรูปแบบในบริบทของปัจจุบันเนี่ยห้องน้ำเนี่ยที่ไม่ควร ก, วกรล่าวซิกุลล้อเลยะนะก็คือเฉพาะจุดที่เป็นส้วมที่ที่ถ่ายทุกข่ะที่เป็นส้วมอะ่ะโถส้วมตรงนั้นน่ะไม่ให้ซิกุลล้อแต่ได้มีที่ข้างๆมีที่อาบน้ำํำไม่มีส้วมไม่มนะีสามารถ ก, กรล่าวซิกุลล้อได้กล่าวบิสมิลลาฮฺตอนอ่นานะละมาดได้มีอ่างล้างหน้าล้างหน้าอยู่ข้างๆเนี่ยสามารถที่จะกล่าวซิกุลล้อได้กล่าวบิสมิลลาฮฺได้กล่าวดุอาได้ เข้าห้องน้ําแล้วแต่ยังไม่ได้เก่าเอาวิเคราะห์สิวเขาไดู้อาเข้าห้องน้ํานะแต่ยังไม่ได้ต่อเสื้อยังไยังเก่าวดูอาได้หลังจากเข้าห้องน้ําแล้วเนี่ยยังกล่าวได้อยําเป็นงงน้ํามันไม่ไม่มันเป็นเรื่องธรรมดานะแต่อาจจะไม่เคยได้ยินใช่ไหมเพราะเราเคยได้ยินคําสอนคลาสสิกเนี่ยก็คือก่อนเข้าห้องน้ําอันนี้ที่เ็คนเาเรียงกันแล้อ่าก็เรื่องอะไรภาคฤดูร้อนนลยนะ เอ่ก็จะก่อนเข้าห้องน้านี่ไงอ่ะบิสมิลลา um ma, um ma, อัลลอฮุมมะอัลลอฮุมมะอินนีอินนีอามุสเราก็จำได้เนี่ยอ่ะก่อนเข้าห้องน้ำํำนะต้องต้องเป็นแบบนั้นก็ไม่เป็นไรที่เขาสอนเราเนี่ยก็สอนถูกไงแต่เราไปเข่งคัดในการปฏิบัติเรื่องนี้เนี่ยเกินไปอะ่ะอย่างที่บอกก็อ๋ให้กล่าวก่อนถ้าลืมกล่าวนี่ก็ออกมาอีกออกมาข้างนอกกันนะให้ให้เข้าใหม่ ไม่งั้นข่าวห้องน้ำไม่ซ้อไม่ใช่นะกข่าวเมื่อไรก็ได้นะครับช่วงนี้พี่น้องอย่าเลื่มขอดูอาให้พี่น้องชาวกาซานะครับเขากำลังลำบากร้อนมากนะครับความอดอยากมันถึงขั้นวิกฤตจริงๆและข่าวที่มีรถความช่วยเหลือที่เข้าเนี่ยก็นิดเดียวนิดเดียวมากแล้วก็ที่เขาทิ้ง เขาบอกว่าที่จอแดนกับซาอุดีกับเอเมิเรติไปทิ้งเท่ากับรถเท่ากับรถยี่สิบล้อครึ่งคันน่ะรถพ่วงหนึ่งคันน่ะที่ทิ้งมาจากเครื่องบินน่ะมันแล้วประชะกากรที่นู่นอ่ะสองล้านกว่าคนไม่น้อยเขาต้องการความช่วยเหลือเยอะอ้าวแล้วก็ทําไมที่ไอ้นี่เขาทากันแล้วถามว่าแล้วก่อนนั้นนี้ทําไมเขาไม่ทํากันนั่นอนะ่ะเป็นเรื่องเป็นเรื่องการกดดันกระแสะกดดันจากทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศอียิปต์ ปเทศอียนี่อยู่ดีอยู่ดีๆเนี่ก็บอกว่าเออเปิดได้ละราฟ่านี่เปิดได้ละแล้วก็จะส่งปรากฏว่าส่งส่งไปแค่สิบกว่าคันอันแสดงว่ามันมันเปิดได้นี่นานฟ้านันแสดงว่าคุณก็ส่งได้นี่แต่ทำไมเพิ่งมาส่งตอนนี้เพราะกระแสกดดันไงประเทศอีบนี่สถานทูตอียิปทั่วโลกนี่เป็นเรื่องนิดเดียวนะครับไม่ต้องไปวุ่นกันเยอะๆเอากุญแจล็อกแล้วก็โซ่แล้วก็ไปปิดไปล็อก เป็นข่าวเลยพนักงานในสานตุน ok ี anyway. ่ออกไม่ได้ทําไมออกไม่ได้อะเขาบอกว่าเราได้ถูกล็อกกับบกบาลเนี่ยพวกคุณเนี่ยล็อกเองพวกคุณนี่ล็อกประตูเองเขาเขาจะเขาเป็นคนล็อกไงแต่นี่การลยกอุตาห์เนี่ยวะเนี่ยที่เขาที่เขาบอกว่าเออเราไม่ได้ล็อกกาซาเนี่ยเราไม่ได้ล็อกเนี่ยทางอิสราเอลเนี่ยเขาลักเขาล็อกแต่ที่จริงเนี่ยอีบนี่สามารถส่งความช่วยเหลือได้แต่เขาเลือกที่จะไม่ส่ง เลือกที่จะเป็นขี้ข่าของอิสราเอลและอเมริกาคอมมิวนิสต์ที่อเมริกาใต้ในชื่อนั้นเยาวราชฮเช่เช่เชเช่ในเขามีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งเขาบอกว่าถ้าฉันมีกระสุนอยู่สิบนัดฉันจะเก็บไว้นัดเดียวสำหรับศัตรู แต่อีกก้านัดเนี่ยจะเก็บไว้สำหรับใส้ศึกคนพวกผมเองเนี่ยที่คอยรับคำสั่งจากศัตรูมามาหักหลังแต่ก่อนเชน่นี้ประมาณพันกว่าปีแล้วเนี่ยอิหม่ามนาบุลซีตอนที่อาณาจักรฟาติมิ ญ, ญานี่สามารถเข้ามายึดครองปรปเลียดอี แล้วก็ผู้นำของอาณาจักรฟาติมีญานี่คนถามว่าสายตระกูลของท่านเนี่เป็นใครมาเ่เขาอ้างว่าเขาเป็นลูกหลานนาบีไงฟาติมาสายตระกูลของท่านนี่คือใครและอำนาจของท่านเนี่ยเอามาจากไหนเขาก็เอาสตังเงินทองแล้วก็ทิ้งทิ้งให้ทุกคนเนี่เยบอกว่านี่คือสายตระกูลของฉัน แล้วก็ได้ชักดาบแล้วก็ <Ha> น, <counties S 2> น, นี่คืออำนาจของฉันก็อุลามาในยุคนั้นนะก็สงบไม่มีใครกล้าพูดอะไรต่อด้านอะไรยกเว้นอุลามาคนหนึ่งชื่ออะไรม่รมันนายบุลซี น, นายบุลซีนี่เขาเขาพูดประมาณนี้เหมือนเชนเนี่ยเขาก็ได้เรียกมาผู้นำของอาณาจักรฟอตเมียเรียกนายบุลซีนี่อว่าเอได้ยินว่าท่านพูดว่าถ้าฉันมีธนูสองดอก ดอกนึ่งจะยิงศัตรูแล้วก็ดอกหนึ่งจะยิงอาณาจักรฟาตรหมียอะหรอบอกวไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้พูดแบบนั้นผมพูดว่าถ้าผมมีอยู่ธนูอยู่สิบดอกดอกเดียวนี่ผมจะยิงศัตรูและอีกเก้าดอกหนึงจะยิงจะยิงพวกมึงพวกมึง <c oughs> เขาก็เลยสั่งให้ลูกน้องเขาเป็นยูนะเป็นยูเป็นคนที่แล่แล่สัตว์เนี่ยให้มาแแล่หนังหนังของเขาอะเป็นเปๆ น, นะ จนกระทั่งยิวคนนี้เนี่ยเขาสงสารน่ะสงสารน่ยก็เลยเ อ, เอาเอามีดนี่มาที่หัวใจจะได้จะได้ไม่เจ็บอิหมัมอิมเนกาซีร์และก็อิหมัมอาซฮับีได้รายงานเรื่องนี้ในหนังสือประวัติของท่านทั้งสองเนี่ยแล้วก็หลายเล่มด้วยนะในใรายงานหนังสือเลื่อนี้เนี่ยให้เห็นว่าสิ่งที่จะปกป้องไม่ให้ความจริงและสัตธรรมเนี่ยดับศูนไปนี่นะก็คือผู้รู้ และผู้รู้ถึงขั้นที่จะต้องถวายชีวิตของเขาเนี่ยเพื่อให้ความจริงและสัจธรรมนี่ปรากฏนี่นะผู้รู้เนี่ยต้องยินดีต้องปติยินดีในการที่จะทําหน้าที่ตรงนี้มิฉะนั้นถ้าผู้รู้ทั้งหมดเลยเนี่ยในยุคนี้เนี่ยในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยเงียบกริบกันทั้งหมดเลยเนี่นะโอ้มันจะเป็นบาปมหันขนาดไหนแต่อัลมอฮฺได้บอกว่าจะไม่มียุคหนึ่งยุคใดที่ผู้รู้เนี่ยจะ จะปิดปากกันทุกคนต้องมีอุลามาสักคนสองคนที่จะออกมาพูดความจริงขออวให้พี่น้องของเราวนะครับสุภาลกรรมานมดิกชะดลลาอีลาฮิลลัสฮตูซลลัลลอฮานบามุฮัมมัดวะบิสซลลัมะสุลมุอะลัยุมรตุลลอฮ